อยากจะสนทนามอยากจะถามอะไรหรือเปล่าถามได้นะมากันจากหลายที่ด้วยกันใกล้ก็มีไกลก็มีคนที่อยู่ทางบ้านก็มีอยู่หลายที่ด้วยกัน ในประเทศก็มีต่างประเทศก็มียานนี้มีการถ่ายทอดสดก็เลยสามารถติดตามได้โดยที่ไม่ต้องมาที่นี่มีทุกวันตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงสี่โมงถ้ามีผู้ที่มาติดกล้องถ่ายทอด ถ้าไม่สบายหรือไม่ว่างก็อาจจะไม่มีบ้างถ้าวันไหนไม่มีถ่ายทอดก็อย่าไปคิดว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอาจจะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดอาจจะไม่สบายหรือติดธุระหรืออาจจะเดินทางมาแล้วไปเจอน้ําท่วมหรือถนนขาด ก็มีสาเหตุได้หลากหลายด้วยกันฉะนันเราลูก <larda> สิทธิ์พระพุทธเจ้าเราต้องยึดหลักอนิจจังไว้คือไม่มีอะไรแน่นอนเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดามีเกิดมีดับเป็นธรรมดามีถ่ายทอดได้ก็มีการหยุดการถ่ายทอดได้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไร แล้วก็ทำต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังเราก็สามารถติดตามดูได้ในคลิปที่เขาเก็บเอาไว้คือไม่ต้องถ่ายทอดสดก็มีของเก่าดูได้แต่ถ่ายทอดสดก็ดีตรงที่ว่าใครมีคำถามอยากจะรู้อะไรก็สามารถส่งข้อความ เข้ามาได้แม้แต่ท่านที่มาฟังเฟทสที่บนเขานี้บางท่านก็ส่งข้อความเข้ามาเพราะว่าไม่อยากจะเดินขึ้นมาถามที่ศาลา<ม>ก็เลยนั่งอยู่ข้างล่างก็สามารถส่งข้อความเข้ามาที่ในเฟสได้การสนทนาธรรมมันก็เป็นรสชาติอีกแบบหนึ่ง การฟังธรรมมันก็เป็นเหมือนกับการป้อนให้ป้อนอาหารให้ผู้รับประทานแต่การสนทนา น, นี้ผู้รับประทานสามารถเลือกอาหารที่อยากจะรับประทานได้อยากจะรู้ธรรมะด้านใดก็ถามได้ถ้าให้ป้อนก็จะต้องรับประทานตามที่ผู้ป้อนป้อนให้ ซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ตรงกับใจที่อยากจะรับรู้ใจอาจจะอยากจะรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไม่ได้รับรู้เพราะว่าไม่ได้มีการพูดถึงก็เลยไม่ได้แก้ไขความลังเลสงสัยความอยากรู้อยากเห็นก็มีการถามตอบ ก, กัน ในมงคลสูตรนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ความเป็นมงคลอย่างยิ่งมีอยู่สองอันคือการเลนะธรรมสวนัง<ม>การฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วก็มีการเลนะธรรมสากัดฉา<ม>การสนทนาธรร ม, มเป็นมงคลอย่างยิ่ง ม, มีสองลักษณะด้วยกัน ธรรมะที่จะเกิดขึ้นได้อันหนึ่งก็เกิดจากการฟังธรรมอีกอันหนึ่งก็เกิดจากการถามถามตอบที่เรียกปุจชาวิสัชนาะนี่คือวิธีที่เราจะได้เข้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์ที่จะเป็นสาระเป็นที่พึ่งแก่ใจของพวกเราต้องเข้าด้วยการศึกษา การศึกษานี่ก็เพื่อเป็นการเข้าหาความรู้ความรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่มีวันรู้ได้เช่นเราต้องไปโรงเรียนกันเพราะเราต้องศึกษา ว, วิธีอ่านออกเขียนได้ศึกษาภาษาไทยศึกษาภาษาอังกฤษเมื่อเรารู้จักวิธีอ่าน เขียนพูดเราก็สามารถใช้ภาษานี้ไปทำประโยชน์ได้ถ้าเราไม่ได้ไปรโรงเรียนเราก็จะอ่านหนังสือไม่ออกเราก็จะไม่สามารถที่จะไปทำอะไรต่างๆที่คนที่เขารู้ภาษาทากันได้เราก็จะเป็นผู้ด้อยโอกาสไป คนที่มีความสามารถหาเงินหาทองได้มากได้น้อยนี่ก็อยู่ที่ความรู้ที่ได้เรียนรู้กันนี้ผู้ใดเรียนรู้สูงผู้นั้นก็มีความสามารถที่จะหาอะไรได้หาอะไรต่างๆได้ง่ายกว่าผู้ที่มีความรู้น้อยกว่า มีความรู้น้อยมากเท่าไหร่ก็ต้องใช้แรงกายเป็นเครื่องมือหารายได้มีความรู้มากเท่าไหร่ก็ใช้ความรู้นี้เป็นเครื่องมือหารายได้คนมีความรู้มากเลยไม่ต้องใช้แรงกายนั่งเฉยๆใช้ความคิดแล้วก็สั่งให้คนนั้นคนนี้ ไปทำตามที่ได้คิดไว้ก็สามารถที่จะหาะไรายได้มาส่วนที่คนไม่มีความรู้ก็ไม่สามารถใช้ความคิดไปสั่งให้คนนั้นคนนี้ไปทําอะไรมาหาไรายได้มาให้ได้ก็ต้องเป็นคนที่ต้องไปใช้แรงกายแทนแรงกายก็ผลประโยชน์ตอบแทนก็น้อย แรงแรงใจแรงของความรู้ที้ความรู้นี้มันก็มีอยู่2แบบความรู้ทางโลกกับความรู้ทางธรรมความรู้ทางโลกนี้ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับการหาหาสิ่งต่างๆมาเลี้ยงดูร่างกายวิชาความรู้ทางโลกนี้เป็นวิชา เพื่อที่จะทำให้ร่างกายอยู่อย่างสุขอย่างสบายสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกรวดเร็วสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วคือวิชาทางโลกนี้จะอำนวยความสุขความสบายทางร่างกายร่างกายมีอาหารทุกชนิดให้รับประทานมี เครื่องนุ่ห่มทุกชนิดไทยสวมใส่มีที่อยู่อาศัยทุกรูปแบบมียารักษาโรคหลากหลายชนิดไว้ดูแลรักษาอันนี้เป็นความรู้ทางโลกมีประโยชน์แก่ทางร่างกายแต่ความรู้ทางโลกนี้ไม่สามารถที่จะมาดูแลจิตใจได้ ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ของใจได้ไม่สามารถป้องกันไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นมาในใจได้ถึงแม้ว่าจะ <c oughs> มีความรู้ระดับด็อกเตอร์ก็ต่างปริญญาเอกก็ตามก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ยังมีความไม่สบายใจมีความวิตกกังวลห่วงใย เดือดร้อนว้าเวเศร้าส้อยหงอยเหงาหวาดกลัวนี่คือความทุกข์ชนิดต่างๆที่มีอยู่ภายในใจที่ความรู้ระดับปริญญาเอกไม่สามารถที่จะมากำจัดได้ต้องเป็นความรู้ของทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะสามารถกำจัด ความทุกทุกรูปแบบที่มีอยู่ภายในใจให้หายไปได้ให้หมดไปได้ความรู้ทางธรรมก็เกิดจากการศึกษาเหมือนกับความรู้ทางโลกแต่นอกจากการศึกษาแล้วยังต้องนำเอาไปปฏิบัติคือเอาไปใช้กับกายวาจาใจ ของผู้ที่ศึกษาเพราะความรู้ที่ได้ศึกษานี้ยังเป็นความรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์ความรู้ยังความรู้ที่ศึกษานี้ยังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ความรุ่มร้อนใจต่างๆให้หายไปจากใจได้ยังต้องรอเอาความรู้นี้มาใช้กับการปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจ ถึงจะทำให้ความทุกข์ต่างๆหายไปหมดไปจากใจได้เส้นความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำทางกายทางวาจาเวลาเราทำอะไรที่เรียกว่าไม่ถูกต้องทำบาปใจเราจะมีความทุกข์จะมีความไม่สบายใจ ถ้าเราอยากจะให้เราไม่มีความทุกข์จากการทำบาปเราก็ต้องเอาความรู้ที่เราได้ศึกษาจากพระพุทธศาสนาที่สอนให้เราละการกระทำบาป ท, ทั้งปวงถ้าเราเอาความรู้นี้มาปฏิบัติกับกายวาจาของเราได้เราก็จะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาป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 การกระทําเหล่านี้ก็จะไม่มีควายในใจความทุกข์ใจเกิดจากการกระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทําเป็นการกระทําเพื่อทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถึงแม้ว่าจะได้ความสุขทางร่างกายแต่มันไม่คุ้มกับความทุกข์ใจที่จะต้องได้รับเช่นบางทีเราขาดรายได้ ไม่พอเพียงต่อการดำรงชีพเราไม่สามารถหารายได้มาโดยวิธีที่ถูกต้องเราก็ไปหารายได้โดยวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปช่อช่อโกงไปหลอกลวงเราก็จะได้ทรัพย์มาได้รายได้มา เมื่อดูแลรักษาร่างกายเราแต่เรากลับมาทาลาย จ, จิตใจของเราทำให้จิตใจของเราทุกข์ร้อนขึ้นมาอันนี้เป็นผลที่เกิดในปัจจุบันเวลาเราทําบาปแล้วใจเราจะไม่สบายก็เ ร, เรากลัวจะถูกจับได้กลัวจะต้องไปรับโทษจากการกระทาบาปของเรา อันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นที่ใจไม่ได้เกิดขึ้นที่ร่างกายร่างกายสบายได้อาหารที่อยากจะรับประทานมาด้วยเงินที่ไปขโมยเขามาก็ไปซื้ออาหารมารับประทานหรือซื้อสิ่งต่างๆที่อยากได้มาใช้ก็สบายไปทางร่างกายทางจิตใจก็สบายต่อ ช่วงแรกๆช่วงที่ได้ซื้อสิ่งที่อยากได้ได้รับประทานอาหารที่อยากจะรับประทานก็มีความสุขใจแต่เป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวไม่นานความวิตกกังวลกับการที่จะต้องไปรับผลของการทำบาปก็จะทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอันนี้ถ้าทำบาปก็แสดงว่า ไม่ได้นําเอาคําสอนของที่พระเจ้าสอนนี้นำเอาไปปฏิบัติเรียนอย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติเช่นชาวพุทธเรานี้ส่วนใหญ่ก็คงจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทําอะไรบ้างสอนให้ทําบุญให้ละบาปให้ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือ สิ่งที่เราเรียนรู้เวลาเราไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะกันเราก็จะได้เรียนรู้หัวข้อใหญ่ๆ ห, หัวข้อสาคัญๆของการของการปฏิบัติเพื่อให้ได้มีความสุขเพื่อให้ได้กำจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจก็มีสามหัวข้อใหญ่ๆ ใ, ให้เราทําบุญ ให้เราละบาปให้เราชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แต่เรามักจะไม่ได้นำเอาไปปฏิบัติกัน mm hmm. เพราะว่าเรามีสิ่งที่ขัดขวาง mm hmm. การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที mm ่ hmm. อยู่ในใจที่เป็นข้าเสร็จต่อพระธรรมคำสอน ค่าศึกของพระธรรมนี้ก็คือกิเลสตัณหาตั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราที่เป็นตัวที่จะมาคอยขัดขวางการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นสอนให้ทำความดีช่วยแบ่งปันเงินทองข้าวของสิ่งที่เรามีเหลือเฟือหรือมากเกินต่อความต้องการ ต่อความจำเป็นแต่เวลาจะทำตัวตความโลภ ก, ก็จะมาขวางว่าอยากจะได้มากๆไม่อยากจะมีน้อยๆถ้าทำมันก็จะน้อยแล้วก็ต้องไปหามาก็จะไม่อยากทำทานไม่อยากแบ่งปันอยากจะได้มากๆอันนี้ก็เป็นความโลภหรือ ความโลภ ก, ก็จะทำให้ความหวงเกิดขึ้นความตนมีเกิดขึ้นมีแล้วก็ไม่อยากที่จะให้มันจากเราไปอยากจะให้สิ่งที่เรารักนี้อยู่กับเราไปนานๆและมีมากๆนี่คือสิ่งที่จะมาเป็นตัวอุปสรรคขวางการปฏิบตัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราไม่ใช่เหตุผลเราจะไม่สามารถที่จะทำตามที่พทธเจ้าทรงสั่งสอนได้เหตุผลก็คือว่าเราต้องใช้การเปรียบเทียบว่าเงินทองที่เรามีอยู่นี้มีเท่านี้เราก็กินอยู่ สบายพอเพียงมีมากกว่า น, นี้การกินอยู่ก็พอเพียงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแต่การที่เราเอาเงินทองนี้ไปแบ่งให้กับคนอื่นมันมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจทาให้จิตใจเรานี้มีความหวงในทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง น้อยลงไปทำให้เรามีความโลภน้อยลงไปแล้วทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจเพิ่มขึ้นมาดีกว่าเก็บเงินไว้เฉยๆแล้วก็ไม่ได้รับผลต่างๆเหล่านี้กลับจะมีความโลภมากขึ้นมีความหวงมากขึ้นและเวลาที่ สูญเสียของที่เราลักเราหวงไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมามากกว่าเวลาที่เราเอาของที่เราลักเราหวงนีไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเสียของอันเดียวกันแต่ความรู้สึกต่างกันถ้าเสียด้วยความหวงก็จะ ไม่สบายใจถ้าอาจจะเกิดความโกรธขึ้นมาก็ได้ถ้ารู้ว่าคนไหนเป็นคนเอาไปแต่ถ้าเสียด้วยความยินดีเสียเพราะเห็นว่าเก็บไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเรานอกจากจะเป็นโทษกับใจเราเวลาที่เราต้องคอยรักคอยห่วงคอยห่วง เราเวลาเสียไปก็เสียใจแต่เสียด้วยความยินดีเพื่อจะทําให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการเสียของเราแทนที่เราจะเสียใจเรากับดีใจกับมีความสุขใจที่เราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือเพื่อนสัตว์เลราชานก็ช่วยได้แบ่งปันได้ให้ท่างกับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย และแม่ตั้เป็นจะต้องแบ่งให้กับพระภิกษุพระนักบวชทั้งหลายเท่านั้นแบ่งปันให้กับทุกคนได้ให้กับใครก็เหมือนกันคือการให้ของเรานี้มันจะทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันทำให้เราเบา อ, อกเบาใจเราหวง่วงน้อยลงไป เวลาที่ค้างต่อไปถ้าเกิดเงินทองหายไปแทนที่จะเสียใจเราก็อาจจะคิดว่าเป็นการทำบุญไปใครเดือดร้อนถึงแม้เขาจะมาขมโมยไปก็เป็นเรื่องของเขาแต่อย่างน้อยเขาก็จะได้บรรเทาความเดือดร้อนของเขาได้เช่นเขาอาจจะไม่มีนมซื้อเงินไปซื้อ น, นมให้ลูกเขากิน เขาก็มาขโมยสตางของเราไปเพื่อจะไปซื้อนมให้ลูกเขากินถ้าเราคิดอย่างนี้แทนที่เราจะเสียใจหรือกโกรธกับการเสียเงินเสียทองไปเรากลับจะเกิดความสงสารเกิดความเมตตาและเกิดความยินดีเขาอยากจะเอาไปเขาเดือดร้อนก็ให้เขาไปเพียงแต่ว่ามีโทษสำหรับเขาเท่านั้นเอง ถ้าเขาฉลาดเขาอาจจะมาขอหรือมาพูดเขาอาจจะไม่ต้องอไปทําบาปถ้ามาขอแล้วเราเห็นความจําเป็นของเขาแล้วเราอยากจะทําบุญอยู่แล้วไม่ต้องไปทังไม่ต้องไปที่วัดมีคนมารอรับบุญจากเราอก็ให้เขาไปอย่างนี้ก็ จ, จะทําให้เรามีความสุขใจ เสียสิ่งเดียวกันนี้แต่ผลทางจิตใจนี้ต่างกันเสียด้วยความยินดีเสียแล้วมีความสุขเสียโดยไม่โดยไม่ยินดีนี้จะมีความทุกข์ส่วนใหญ่พวกเรานี้มักจะไม่ยินดีเสียกันเพราะกิเลสในใจของพวกเรานี้มีแต่อยากได้ไม่อยากเสียเราจึงต้องทุกข์กับสิ่งที่เราได้มา เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาไปว่าเวลาเราตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เวลาเราตายจิงทุกข์กันมากเพราะไม่มีใครอยากจะเสียสิ่งต่างๆที่เราได้มาแต่ถ้าเรามาฝึกเสียกันอยู่เรื่อยๆ อย่าไปหวงอย่าไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆให้คิดอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้ก็ต้องจากกันไปถ้าเราอยากจะจากอย่างสบายและอยู่อย่างสบายใจก็อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหวงก็ให้ไป ส่วนที่ไม่ให้ก็เก็บเอาไว้ส่วนที่เราต้องอาศัยต้องมีไว้ใช้เราก็เก็บไว้แล้วการมีทรัพย์ของเราเนี้จะมีแบบมีความสุขถ้ามีทรัพย์แบบหวงแล้วตัวเองก็บางทีไม่กล้าใช้เสียได้ซ้ำไปกลัวใช้แล้วจะหมดก็จะกลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไป มีเงินทองเยอะแยะแต่ก็ไม่กล้าใช้เพราะกลัวว่าใช้แล้วเดี๋ยวมันจะติดนิสัยใช้ไปแล้วเดี๋ยวมันจะหมดก็เลยไม่อยากจะใช้อยู่ก็อยู่แบบอดๆอยากๆอ ย, อ ย, อ ย, อ ย, อยู่แบบ อ, อ, อยู่แบบกตนีญแทนที่จะมีทรัพย์มารับรับใช้เราให้ความสุขกับเรากลับต้องมาทุกข์กับการมีทรัพย์ เพรานาจของกิเลสความโลภความหวงมันทําให้เราได้อะไรมาแล้วไม่อยากจะจากมันไปไม่อยากจะเสียมันไปแต่ถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรรมคําสอนของพระเจ้าเ่านเจ้าก็บอกว่าลาบยศสรเสริญสุขนี้เหมือนเป็นของชั่วกราวมีเจริญก็มีเสื่อมได้เป็นธรรมดาคนที่ ยึดติดกับลาบยศสรรเสริญสุขเวลาสูญเสียลาบยศสรรเสริญสุขไปก็จะเกิดความทุกข์ใจแต่คนที่ไม่ยึดติดกับลาบยศสรรเสริญสุขเวลาเสียไปก็จะไม่รู้สึกอะไรจะรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนที่จะไม่ยึดติดได้ก็ต้องเป็นคนที่ไม่ อาศัยราบยศสรรเสริญสุขเป็นเครื่องมือในการให้ความสุขกับตนความสุขก็มีสองรูปแบบความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรมความสุขทางโลกก็คือต้องมีราบยศสรรเสริญมีทางมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถึงจะมีความสุข ต้องมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสให้ได้เสพให้ได้สัมผัสอยู่เรื่อยๆต้องมีเงินเพราะว่าถ้าไม่มีเงินก็ไม่สามารถที่จะหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพได้เมื่อนี้มีเงินพอเพียงกับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็อยากจะมีเกียรติอยากจะมีหน้ามีตาอยากจะให้คนเขาเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญ ก็ต้องไปหามันอีกมีลาบแล้ว ก, ก็หายดุดหาสรรเสริญต่อมีราบก็ซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่เงินทองที่หามานี้มันก็มีหมดได้มีได้มามันก็มีหมดได้มีขึ้นมีลงเวลาขึ้นก็ดีใจกันเวลาลงก็เสียใจกัน นี่คือความสุขทางโลกที่จะมีความไม่สบายใจความทุกข์ความกังวลใจแถมมาด้วยแต่ความสุขทางธรรมนี้เป็นความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ความกังวลใจต่างๆตามมาแทนที่เราจะอาศัยการหาเงินทองไว้มีไว้มากๆเรากับหาไว้พอใช้กับ ควาต้องการของร่างกายก็พอแล้วถ้ามีมากเกินไปเราก็เอาไปแจกจ่ายแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นลดจำนวนเงินให้มันน้อยลงไปให้มันเสื่อมต่อหน้าต่อตาเราเราจะได้ชินกับความเสื่อมแล้วเราจะรู้ว่าความเสื่อมนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอะไรกลับเป็นสิ่งที่ดี ถ้าเรายินดีให้มันเสื่อมนี่แทนที่จะทุกข์เรากลับมีความสุขคนที่ไม่เคยทำบุญ ท, ทาทานหรือไม่เข้าใจความจริงของความเสื่อมของลาบยุทธนี้จะกลัวมากกลัวกลัวเสื่อมกลัวความเสื่อมในลาบในเงินในทองมีเงินทองนี่ต้องหาวิธีรักษาหาวิธีเก็บหาวิธีสร้างให้มันมีเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่รู้หรอกว่าทํำยังไง ใ, ในที่สุดก็ต้องเสียมันไปหมดอยู่ดีเอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวกลายเป็นของคนอื่นไปหาถ้าเป็นแทบตายดูแลรักษาไว้ถ้าเป็นแทบตายเวลาตายไปกลายเป็นของคนอื่นไปหมดอันนี้เพราะว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังพรอธรรมคําสอนของพ่อพระจเจ้า ททรงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของที่จะต้องมีการพัดพรากจากกันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเดีวเรามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการใช้เงินใช้ทองให้มันถูกกับหน้าที่ของมันเงินทองนี้มีไว้สำหรับ ใช้ในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่วาศัยถ้าเรามีพอแล้วเรามีสำรองไว้แล้วสำหรับ ว, วันข้างหน้าส่วนที่เหลือเราอย่ากเก็บไว้ดีกว่าเก็บก็แสดงว่าเราหวงเวลาหวงเวลามันจากเราไปก็จะทุกข์เวลาอยู่กับมันเราก็กังวล จะต้องเอาไปเก็บไว้ที่ไหนดีถึงจะปลอดภัยเก็บไว้ที่ไหนถึงจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นที่ไหนดอกเมียดีกว่าก็อาจจะทำให้กลายเป็นคนไร้ความเมตตาก็ได้เป็นคนไปปล่อยกู้อย่างนี้คิดดอกเมียแบบโหดๆธนาคารเขาให้ร้อยละหนึ่งต่อปีเราเก็บร้อยละยี่สิบต่อต่อปีน ร้อถ้าร้อยละสองต่อเดือนปีหนึ่งก็ร2 4แทนที่เราจะมีความเมตตามีความสุขจากการมีเงินทองเรากลับต้องมาเป็นคนใจจืดใจดังเราไม่มีความสุขเพราะว่ากังวลให้เขากู้แล้วบางทีเดี๋ยวเขาก็หนีไปก็ได้ หรือหลักทรัพย์ที่เขาให้เรามันไม่พอกับเงินที่ก็เอาไปเราก็ขาดทุนถ้าตามใดเราไม่ยอมเสียเราจะมีแต่ความกังวลอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรายึดเอาคาสอนพระเจ้ามาเตือนใจอยู่เรื่อยว่าเราต้องเสียมันนะเงินทองนี้เป็นของชั่วล่าวแล้วมันก็มีไว้ใช้มีหน้าที่ใช้ชั่วล่าวเท่านั้นเองมีหน้าที่เลี้ยงดูร่างกาย ซึ่งในไม่ไม่ใช้ก็เร็วเดี๋ยวมันก็ตายไปพอรา่างกายตายไปเงินทองก็หมดหน้าที่ไปฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับเงินทองแทนที่จะทำให้เรามีความสบายใจกลับจะทำให้เราวุ่นวายใจได้เรามาเอาเงินทองที่มันมีเกินกว่าความจำเป็นนี้ไปทำประโยชน์ดีกว่า ทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจสบายใจเราจะทําให้เราไม่ต้องดิ้นลนหาเงินทองมากเกินไปหาเท่าที่จําเป็นก็จะทําให้เรามีโอกาสมีเวลามีความสามารถที่จ ะ, ะปฏิบัติทำขั้นที่สองที่สาที่พระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติได้นอกจากการทําบุญ แล้วท่านก็สอนให้เราลาบบาปถ้าเราดูแต่หาเงินหาทองอยากได้มากๆอยากได้ง่ายๆอยากได้เร็วๆเราก็มักจะต้องไปทำบาปกันไปพูดปดบ้างไปช่อโกงบ้างหรือไปทำทำลายชีวิตของผู้อื่น <c oughs> เพื่อให้เราได้รายได้ที่เราต้องการมาอย่างง่ายดายและรวดเร็ว <c oughs> เราก็จะ รักษาศีลไม่ได้ลนะการกระทำบาปไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ได้มีความโลภอยากได้เงินทองมากมายเราก็ไม่ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องไปทำบาปเพราะว่าเงินที่เราต้องการใช้นี้มันสามารถหาได้โดยวิธีสุดจริตเราก็จะรักษาศีลได้เราก็จะทำให้ใจเรา กำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปได้แล้วก็จะทำให้เรามีเวลามาทำข้อที่สามก็คือมาชำระใจให้สะอาดกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปได้เพราะเราไม่ต้องไปเอาเวลาไปหาเงินหาทอง แล้วพอได้เงินทองมาก็เอาเวลาไปใช้เงินไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มก็จะไม่มีเวลาที่จะไปอยู่ที่สงบเพื่อไปชำระกายวาจาใจได้แต่ถ้าเราไม่โลภเราใช้เหตุใช้ผลในการดํามลงชีวิตหาเงินหาทองเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ไม่ต้องเสียเวลามาก ไ ม, ไม่หาเงินมาเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อความสุขต่างๆถ้าเอาเงินมาซื้อความสุขต่างๆมีเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อเพราะความสุขมันมีหลายราคามีเงินมากก็มักจะซื้อความสุขราคาแพงๆขึ้นไปเรื่อยๆแต่ความสุขก็เหมือนกันแต่ความหลงคิดว่าเป็นความสุขมากเจนซื้อรถคันละล้านกับซื้อรถคันละสิบล้าน ความสุขคิดว่าโขับรถสิบล้านนี่มีความสุขกว่าขรถหนึ่ง ล, ล้านราคาหนึ่งล้านความจริงมันก็สุขเหมือนกันแต่พอมีเงินมากแล้วมันซื้อรถหนึ่งล้านไม่ได้มันต้องซื้อสิบล้านมันถึงจะมีความสุขขึ้นเงนั้นต่อให้มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอซื้อก็ต้องหาเงินอยู่เรื่อยต้องการต้องใช้เงินมากก็ต้องหามาก ถ้าอยากหาได้เร็วง่ายก็ต้องทำบาปกันอันนี้แต่ถ้าเราบอกว่าความสุขของเรานี้ไม่ได้อยู่ที่เงินทองความเป็นความทุกข์มากกว่าการมีเงินทองเพราะต้องลิ้นหลนหาเงินหาทองได้มาก็เอาไปใช้อย่างง่ายดายหมดไปได้อย่างง่ายดายรวดเลยวแล้วก็ติดเป็นนิ ส, สัย ไปแล้วก็เลิกไม่ได้ต้องใช้อยู่เรื่อยๆวันไหนไม่มีใช้ก็ทุกก็เดือดร้อน <c oughs> คือให้เราใช้เหตุผลในการใช้เงินใช้ทองหาเงินหาทองแล้วจะทำให้เราไม่ต้องหามากเราจะได้มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนถ้าทำบุญทาทานได้ก็จะรักษาสินได้ง่าย พราคนทำบุญนี้มีความเมตตาอยากจะให้คนอื่นมีความสุขก็จะไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนจากการกระทาของเราเราก็จะไม่ฆ่าไม่รับทรัพย์ไม่ประพฤติผิดโดยนีไม่พูดปดไม่เสพยาเมาเราก็จะกำจัดการกระทาบาปกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการกระทาบาปไปได้ทำให้เรามีความสุขใจสบายใจ เพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่หมดเพราะความทุกข์ใจที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงนี้ยังไม่ได้ได้รับการกําจัดจากการทําบุญหรือจากการละบาปเป็นแต่เป็นการตัดกิ่งก้านของมันทางเดินของมันมันจะก็เโลภโกรธหลงนี้มันชอบออกมาทางการกทําบาปในการหาเงินใช้เงินกัน เราก็ใช้การทำบุญนี้กับใช้การละบาสนี้ตัดทางเดินของมันแต่มันก็ยังดิ้นอยู่ในใจของเราอยู่ยังมีความโลภความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ถ้าเราต้องการจะกำจัดมันให้หมดไปเราก็ต้องใช้การปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าการภาวนาการภาวนาก็คือการทำใจ ให้สงบเรียกว่าสมถะภาวนาพอใจสงบแล้วก็สอนใจให้ฉลาดด้วยวิปัสสนาภาวนากานต้นทําใจให้สงบก่อนพอใจสงบแล้วจะมีความสุขจะมีความสุขที่จะทําให้เราไม่โลภไม่อยากได้อะไรเพียงแต่ว่ามันจะเป็นความสงบชั่วคราวความไม่โลภชั่วคราว เวลาใจสงบอยู่ในสมาธิความโลภความโกรธความหลงจะหายไปจะถูกกดเอาไว้ด้วยกําลังของสติสตินี้เป็นผู้ที่ทําให้ใจสงบเพราะสติจะกําจัดือยุติการการเคลื่อนไหวของความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงนี้เคลื่อนไหวด้วยด้วยความคิดปรุงแต่งต่างๆ สตินี้จะไปกันไม่ให้มีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาที่เวลาเราพูดโธพูดโธไปอย่างเดียวนี้เราจะไ่คิดปรุงแต่งถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ความโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะไม่มีความโกรธก็จะไม่มีเพราะมันไม่สามารถทำงานได้มันต้องอาศัยความคิดปรุงแต่ง ถ้าเราไม่มีสติควบคุมความคิดปรุงแต่งเดี๋ยวเราคิดถึงคนนั้นก็อยากจะไปหาเขาคิดถึงคนนี้ก็โกรธเขาเกลียดเขาขึ้นมากิเลสจะทำงานได้ทันทีตามความคิดของเราถ้าเราคิดแต่พุทธโธมันก็ไม่รู้จะไปโลภไปโกรธใครโลภไปโกรธพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรกับพระพุทธเจ้าก็พุทธโธพุทธโธไป แล้วเวลาจะให้มันนิ่งเต็มที่ก็ต้องมานั่งหลับตาแต่เราต้องพุโทโธก่อนที่มานั่งหลับตาถ้ามานั่งหลับตาแล้วค่อยมาพุโทโธนี้กำลังพุโทโธจะมีน้อยมากจะสู้กำลังของความคิดปรุงแต่งไม่ได้มันก็จะนั่งแล้วก็ไม่สงบนั่งแล้วก็ปุง้งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เพราะไม่ได้หยุดความคิดปรุงแต่งก่อนที่จะมานั่ง เราต้องฝึกหยุดความคิดตรุงแต่งก่อนที่จะมานั่งถึงแม้ว่าไม่ได้หยุดบรรลัยเปอซก็หยุดบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คิดให้น้อยที่สุดคิดในเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดจริงๆเท่านั้นเช่นคิดกับเรื่องงานเรื่องการที่ต้องทา mm hmm. ก็จะทำให้เราไม่คิดมากและจะทำให้เราหยุดความคิดได้ง่าย พอมานั่งให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธมันก็จะอยู่กับพุโทโธอย่างต่อเนื่องแล้วมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่พอใจสงบแล้วความโลภความโกรธความหลงก็หยุดทำงานแล้วก็ความสุขก็ปรากฏขึ้นมาความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางโลกคือความสุขที่เกิดจากความสงบ พระพุทธเจ้าทรงตัดว่านัตติสันติป ร, รังสุ ข, ขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบพอได้ความสุขแบบนี้แล้วจะไม่อยากได้ความสุขแบบอื่นรู้แนะสุขที่แท้จริงาะเป็นความความสุขแบบอื่นนี้ต้องใช้ร่างกายต้องใช้สิ่งต่างๆเป็นเครื่องมือถึงจะมีความสุข พอขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็ไม่สามารถหาความสุขได้เช่น<ม>ถ้าเรามีความสุขทางตาถ้าตาบอดขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขทางตาได้ถ้าหูหนวกก็ไม่สามารถหาความสุขทางหูได้หรือถ้าตาไม่บอดหูไม่หนวกแต่ไม่มีเงินไปซื้อสิ่งที่เราอยากดูอยากฟังมันก็ไม่มีความสุขได้ มันมีปัจจัยหลายอย่างที่จะต้องมีถึงจะมีความสุขแล้วถ้าไม่มีก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ความสุขทางใจนี้มีสติตัวเดียวมีสติแล้วก็มีเวลาที่จะมาอยู่คนเดียวไม่ไปทางานทำการเพราะการทำงานทำการจะต้องใช้ความคิดมากแล้วถ้าไปอยู่กับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็ ต้องคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้มีเรื่องกับคนนั้นมีเรื่องกับความนี้มันก็ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งตลอดเวลาถึงต้องไปปลีกวเวกไปอยู่คนเดียวถึงจะเจริญสติได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผลถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็พุโทโธพุโทโธของเราไปเรื่อยๆพอเราอยากจะนั่งเราก็หลับตาพุโทโธมันก็เข้าสู่ความสงบได้แล้วเราก็จะมีความสุข แเรารู้แล้วว่าต่อไปนี้เราต้องการความสุขแบบนี้มากกว่าความสุขแบบอื่นเพราะมันง่ายกว่ามันไม่ยุ่งยากมันยากเพราะว่าเรายังไม่เคยทํามันท่านเลแต่พอเราทำได้ครั้งหนึ่งแล้วเราก็รู้ว่าสบายต่อไปเราก็จะทำได้เรื่อยๆพอได้ครั้งเดียวเราก็รู้แล้วว่ารู้จักวิธีทำละต่อไปก็จะทำไปได้เรื่อยๆเองแต่ว่าต้องทาบ่อยๆทามากๆขึ้นไปก็ต้องไม่ไปทาอะไร ลาออกจากงานไม่ต้องไปทำงานถ้ามีความสุขแบบนี้แล้วไม่ต้องมีเงินซื้ออะไรมีเงินี้ไว้ซื้อหลับซื้ออาหารก็พอซื้อผ้าก็มีเหลือเฟือแล้วบ้านก็มีอยู่แล้วยารักษาโรค ก, ก็นานๆจะเป็นสักทีไม่ได้เป็นทุกวันอันนี้ก็จะทําให้เราพบกับความสุขที่แท้จริงแล้วก็จะทําให้เรา ไม่ต้องไปหาความสุขปลอมอีกต่อไปไม่ต้องไปหาลาบยศสารเสริญไม่ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเราแต่มันเป็นความสุขในขณะที่อยู่ในความสงบพอออกมาจากความสงบแ้่เราเผลอปล่อยให้ไปคิดเดี๋ยวมันก็ความโลภ ก, ก็จะเกิดขึ้นมาถ้าอยากจะกําจัดความโลภที่เกิดขึ้นมาให้หายไปก็ต้องใช้ปัญญาที่เรียกวิปัสสนา ต้องสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากทานี้มันเป็นของชั่วคราวทําแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหมดแล้วก็ต้องทาใหม่ก็ต้องทํอยู่เรื่อยเวลาไม่ได้ทําก็จะทุกข์ขึ้นมาเราจะทําก็ต้องไปหาเงินหาทองหาเครื่องไม้เครื่องมือหาอะไรต่างๆมากมายหาเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเป็นใหญ่โตขึ้นมาใช้ปัญญาสอนใจทุกครั้งที่โลภอยากได้อะไรอยากทาอะไรว่า มันเป็นทุกมากกว่เป็นสุขกลับไปนั่งสมาธิดีกว่าทาใจให้สงบดีกว่าพอได้ปัญญาสอนใจก็กลับไปนั่งสมาธิแทนอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ต้องดื่มถ้าต้อ ง, งการนั่งกายต้องการน้ําก็ดื่มน้าเปล่าได้ดื่มแล้วก็กลับมานั่งสมาธิทําใจให้สงบความอยากก็หายไปทำอย่างนี้บ่อยๆต่อไปความอยากก็จะหมดไป เอาความหยบความอยากหมดไปแล้วก็สบายไม่มีอะไรมารบกวนใจอีกต่อไปสิ่งที่มารบกวนใจสร้างความวุ่นวายใจให้กันเราก็เกิดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างนี่เองพอไม่มีแล้วทีนี้เราก็สบายอยู่เฉยๆก็ได้นแม้แต่ร่างกายถึงแม้มันจะอดจะอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นปนัญหา ใจไม่เดือดร้อนใจที่มีความสงบนี้จะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความเป็นความตายของร่างกายไหวให้มันตายได้อย่างสบายพอใจสบายร่างกายจะเป็นจะตายไม่ได้ไปทำให้ความสบายของใจหายไปหรือเปลี่ยนไปความไม่สบายเรือความสบายใจของของใจอยู่ที่กิเลสตัณหานี้เท่านั้นเองถ้าไม่มีกิเลสตัณหาก็จะไม่มีอะไรมาทำให้ใจไม่สบาย ร่างกายไม่สบายไม่สามารถมาทำให้ใจไม่สบายได้นี่คือการศึกษาวิชาทางธรรมศึกษาแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติถึงจะเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะปฏิบัติแล้วก็จะได้กาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจใจก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่ต้องกลับมามีร่างกายใหม่ เพราะไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แต่ไม่ได้หายไปไหนใจก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมอยู่แบบไม่มีร่างกายเท่านั้นเองนี่คือพระพุทธเจ้าและพระอารหันต์ตอนนี้ท่านก็อยู่กันแต่ท่านอยู่แบบไม่ต้องมีร่างกายเพราะมีร่างกายแล้วมันต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตาย กับการเลี้ยงดูร่างกายไม่มีแล้วสบายกว่านี่คือการการอยู่แบบคนฉลาดอยู่อยู่โดยที่ไม่มีความทุกข์คนโง่จะอยู่กับความทุกข์เพราะจะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีร่างกายเพื่อที่จะได้หาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับตน ถ้าเราอยากจะมีความสุขแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอรหันตสาวโรกเราก็ต้องฟังคําสอนแล้วปฏิบัติตามคําสอนปฏิบัติตามตัวอย่างที่ท่านได้ปฏิบัติมาอันกสละทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้แล้วก็ไปอยู่ที่เงียบๆคนเดียวไปกาจัดความโลภความโกรธความหลงด้วยสติด้วยปัญญาสองตัวนี้มีสติก็จะหยุดความโลภความโกรธได้ชั่วคราว ทำให้ใจสงบแล้วพอสงบแล้วมีความสุขแล้วก็จะไม่อยากได้อะไรถ้าอยากได้อะไรก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เราทุกข์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราสุขเช่นคนอยากมีแฟนคิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขที่ไหนได้พอมีแฟนก็ไปทุกข์กับแฟนอยู่คนเดียวไม่มีแฟนไม่มีความทุกข์กับแฟนพอมีแฟนก็ต้องไปทุกข์กับแฟนนะ ทุกเพราะรักเพราะห่วงเพราะห่วงทุกเพราะโกรธกันเพราะทุกเพราะทะเลาะกันทุกเพราะเวลาไม่ได้อยู่ด้วยกันมีความทุกแต่อยู่คนเดียวนี้ไม่มีความทุกเหล่านี้แต่มองไม่มีปัญญามองไม่เห็นต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกไม่ใช่เป็นสุขเราก็จะได้อยู่แบบไม่มีอะไรได้อยู่แบบไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ อยู่แบบสุขไปตลอดวรมามาสุขนิพพานางปรมังสุขขังนี่คือสิ่งที่เราต้องนำเอาไปปฏิบัติทำบุญทำความดีต่างๆละบาปทั้งปวงแล้วก็ทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความโลภโกรธหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วเราก็จะใจของเราก็จะเป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าพระอรหนันตสาวกทั้งหลาย คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหานะใครอยากจะถามปัญหาก็ถามทางบ้านก็ส่งเข้ามาได้ที่นี้ก็ถามได้ถ้าฟังแล้วยังไม่ชัดเจนยั ง, ย, งยกขึ้นมาพูดดังๆหน่อยที่อาจารย์พูดถึงบอกว่าเวลานั่งสมาธิ เขาบอกว่าตอนแรกนี่คือเหมือนให้อั่งก่อนอย่าพ่งหลัต า, าพราะก่อนหลับาแล้วมันจะเหมือนจ่สงกดเ ด, ยเดียวก่อนนะช่ช่วยแชร์ไว้วก่อนน ะ, ะค่ะที่อาจารย์บอว่าอย่าพึ่งหลับตาตอนตอนพูพดโธรแรกๆนะคะอ๋อนี่หมายถึงเวลาที่เราทำภารกิจต่างๆเลยเราไม่ได้นั่งเฉยๆเราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องเข้าห้องน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้ำตอนนั้นก็ให้พูดโธไปเรื่อยๆราะว่าถ้าไม่พูดโธใจจะลอย จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเวลามานั่งสมาธิมันก็จะลอยเหมือนเดิมเราต้องหยุดให้มันไม่ให้ลอยก่อนอาบน้ําไปก็พุโทโธไปล้างหน้าไปก็พุโทโธไปหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโทไปเรื่อยๆอย่าให้มันคิดจะคิดก็ต่อเมื่อมีเรื่องจําเป็นจะต้องคิดเช่นว่าวันนี้ต้องไปทําธุระที่ไหนกับใครอะไรอย่างนี้ก็คิดได้พอคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็ไปเตรียมตัวไปทาําต่าง อาสิ่งที่ต้องไปทำขณะที่ทำเตรียมตัวก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วพอมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาก็พุโทโธต่อไปมันก็จะอยู่กับพุโทโธแล้วมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้มันจะสงบได้ต้องนั่งเฉยเฉยเพราะถ้าร่างกายเคลื่อนไหวแสดงว่าใจต้องคุมมันต้องควบคุมมันก็ใจต้องทางานใจก็จะสงบไม่ได้เต็มที่สงบได้บางส่วน ร้าจะส ง, สงบเต็มที่ต้องนั่งเฉยๆแล้วหลับตาไม่รับรู้อะไรแล้วมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่แต่ก่อนจะสงบได้ต้องมีสติเป็นตัวดึงเข้าไปถ้าเราไม่สร้างสติขึ้นมาก่อนมานั่งเวลานั่งก็จะไม่มีกําลังเดิมใจเข้าข้างในความคิดมันจะดึงไปแทนถึงต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนยาชีมีอะไรไหม อันนี้บางครั้งเวลาที่ใครพูดอะไรไม่ถูกใจเราแบบเหมือนกันเราก็จะจิตมันจะปี๊ดออกไปทันทีเลยอ่ะโผล่ขึ้นไปทันทีเลยเพราะว่าเราปลูกฝังนิสัยนี้มาตั้งแต่เด็กดําบันแล้วคือความไม่ชอบความความนินทาความควว่าเก่าวติเตียนดุด่าว่าเก่าวติเตียนเราจะชอบคําสรรเสริญพอได้ยินคํา ตีดเตียนว่ากาวไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดก็ตามเราจะไม่พอใจขึ้นมาทันทีมันเป็นอิเลทของเราความชังของเราชังในเรื่องของการถูกตำหนิติดเตียนเราก็ต้องมาสอนใจมาฝึกใจให้เฉยเฉยให้ได้วิธีจะทำให้ใจเฉยเวลาได้ยินได้ฟังคนก็พูดอะไรไม่ดี ก็คือต้องฝึกมีสมาธิถ้าจิตเรามีสมาธินี่จิตเราจะมีความเฉยได้ในระดับหนึ่งแต่บางทีก็ไม่พอต้องใช้ปัญญามาช่วยอี ก, อ ก, อกตัวหนึ่งปัญญาก็ต้องสอนใจว่าคำพูดของคนอื่นนี่เราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เขาจะด่าเขาจะชมนี่มันเป็นเรื่องของเขาแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือหยุดใจเราอย่าไป ตอบโต้ถ้ามันอยากจะตอบโต้มันโกรธขึ้นมาเราก็ใช้พุโทโธพุธโทโธดึงเอาไว้อย่าไปคิดถึงคําที่เขาพูดเขาพูดปั๊บมันหายไปแล้วแต่เราเอามาคิดต่ออยู่เรื่อยๆเราต้องใช้พุโทโธหยุดมันพอเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธคําพูดที่เขาด่าเรามันก็หายไปพอคําด่าหายไปความโกรธในใจก็จะหายไปยังเราต้องฝึกสติฝึกมีสพุโทโธอยู่ในใจ เวลาใจมันพยศนี่เราใช้พุโทโธหยุดมันได้นี่คือวิธีแก้เราต้องแก้ที่ตัวเราเราไปแก้ที่เขาไม่ได้เราไปขอร้องเขาไม่ได้ไปจับเขาปิดปากเขาไม่ได้อาจจะทำได้เป็นาบางครัง้งบางครากับบางคนแต่ไปทำกับทุกคนไม่ได้หรอกยันอย่าไปแก้คนอื่นมาแก้ที่ตัวเราเดีวกว่า แล้วแก้พี่ตัวเรานี้มันแก้ได้อย่างถาวรก็พยายามมาฝึกสติกันพยายามมานั่งสมาธิกันแล้วก็พยายามสอนใจด้วยปัญญาว่าคํามชันะเสริหรือความตำหนิตีเตียนนี้เป็นเป็นเรื่องปกติของของโลกที่เราอยู่จะต้องรับแต่เราจะรับแบบไหนรับแบบทุกหรือรับแบบไม่ทุกรับแบบไม่ทุกก็ทำใจเฉย ได้ยินแล้วก็ปล่อยวางมาปั๊บมันก็ผ่านไปแล้วเขาพูดปั๊บมันก็หายไปละแต่บางทีเขาด่าแล้วแต่แต่เช้าเย็นนี้เรายังคิดอยู่นั่นแหละว่าเราไม่มีสติหยุดความคิดของเราถ้าเรามีสติมันหายไปแล้ะจิตของเราจะอยู่ในปัจจุบันเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วงั้นมาฝึกสติเยอะๆแล้วใจของเราจะไม่ไม่ไม่ดึงอะไรกลับมาเมื่อไรเกิดขึ้นมันก็จะปล่อยให้ผ่านไปเลย อะไรเกิดขึ้นปับ๊บได้เสียงเกิดขึ้นปับ๊บมันก็ผ่านเลยล้วแต่เรายังไปดึงเหมือนกลับมาทั้งเสียงที่เราชอบและไม่ชอบถ้าเ็าชมเราแล้วก็ยิ้มอยู่ทั้งวั น, นถ้าเขาตาหนิเราก็หน้าบึงทั้งวันเพราะเราคิดอยู่แต่ไอ้คำที่เขาชมกับคำที่เขาดาา่าวทั้งที่ความจริงไม่รู้เราดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้แหลนะนี่คือใจของเรามันชอบไหลไปกับราบยศสรรเสริญสุข พอมานไม่เจอการเสื่อมของราบยศสรรเสริญสุขมันก็ทุกขึ้นมาเท่านั้นเองนี่เราไปห้ามเรื่องราบยศสรรเสริญสุขไม่ให้มันเสื่อมไม่ได้มันต้องมีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราต้องมาฝึกใจของเราไม่ให้ไปพึ่งราบยศสรรเสริญสุขถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสรรเสริญเยืนยอเราใครจะมาตำหนิเราก็จะไม่ทำให้เราทุกข์ ผลจะเกิดจากการทำสมาธิจะทำให้ใจเรานิ่งเป็นอุเบกขาแต่เวลาออกจากสมาธิมาอุเบกขามันก็จะเบาจะน้อยแต่มันไม่หมดถ้ากำลังไม่พอก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาช่วยว่าห้ามก็ไม่ได้สิ่งที่เขาพูดสิ่งก็ทำแล้วห้ามก็ไม่ได้และสิ่งที่เขาพูดเขาทำก็ทำไปแล้วผ่านไปแล้วถ้าแก้วแตกมันก็แตกไว้แล้วทางานมันก็ทาให้มันไม่แตกไม่ได้อยู่แล้ว เราก็ลืมมันไปที่ก็หมดเรื่องอย่าไปคิดถึงมันมันก็มันก็ไม่เข้ามาในใจเราละเราไปดึงเข้ามาเองเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดปุ๊บมันก็ผ่านไปแล้วแต่เราไม่ยอมไม่ให้มันผ่านเลยเราชอบดึงกลับมาเรื่อยคิดถึงมันอยู่เรื่อยคิดทีไรก็ปวดร้าวขึ้นมาในหัวใจทุกทีห็นต้องทาลายความคิดที่ไม่ดีเหล่านี้ไปให้หมดให้มันคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกนี้ ทางบ้านมีไหมอันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่นะเนี้ในี่ก็ประมาณสาม้อยกว่าสามสิบสามสิบสี่สิบครับอาจ YouTube ก็5้าส YouTube ก, ก็วันนี้น้อยหน่อยครับสามสามสิบกว่า ค, <30 S 1> ครกวอาจาามได้มีใครถามก่อนไหมครับเดี๋ยวถามทีหลังก็ได้สลับกันครับคำถามจะคุณเล็กนะครับ จาก Facebook l ล v e นะครับเคยได้ยินมาว่าเราทำบุญแล้วเบิกบุญมาใช้ได้หรือครัได้แต่ต้องรอชาติหน้าบุญที่เราทำนี่มันเหมือนฝากไว้ในธนาคารแต่ยังไม่ถึงดิวยังวันยังไม่ถึงเวลาที่จะเบิก <c oughs> เหมือนฝากเงินเกินฝากประจำนี่ไ <c oughs> ้เบิกไม่ได้ <c oughs> เบิกได้แต่ไม่ได้ดอก เวลาตายไปชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์หรือเวลาตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาแานที่ังไปเป็นเปรต ก, ก็ไปเป็นเทวดาเปรตก็คือขอทานเทวดาก็คือเศรษฐีบุญคนที่ทำบุญมากๆแล้วไม่ทำบาปนี่ก็จะไปเป็นเทวดากันเทวดาก็เหมือนกับไปท่องเที่ยวนในในโลกทริปไปอยู่โรงแรมห้าดาวกัน ถ้าเป็นเปรตก็ไปนอนใต้สะพาน <c oughs> พวกที่ไม่ทำบุญทำบาปนี่ตายไปก็ไปเป็นเปรตกันคำถามจากคุณนิติมานะครับเราสามารถใช้การดูความเคลื่อนไหวของร่างกายในการฝึกสติแทนการนึกพุโทโธได้หรือไม่ได้ก็ถ้าเราจดจ่อเฝ้าดูการทำอย่างเดียวแล้วไม่ไปคิดเรื่องอื่นมันก็มีสติขึ้นมาแต่ต้องไม่ไปคิดเรื่องอื่นนะ เลาดูแปลงฟันนี่ต้องรู้ว่ากำลังแปลงฟันแปลงขึ้นแปลงลงเล ย, ยมันละเอียดขนาดนั้นให้อยู่กับมันทุกขณะของการเคลื่อนไหวของการทำงานของร่างกายมันก็จะไม่สามารถไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แล้วมันก็มันก็จะตั้งมัน่นเยอะแล้วรบกวนด้านล่างช่วยเงียบเสียงด้วยนะครับคนฟังทำนะครับ คําถามข้อต่อไปนะครับจะคุณมานีนะครับโยมตั้งใจนั่งสมาธิวันละหนึ่งชั่วโมงแต่ไม่ได้ตั้งนาฬิกาจับเวลาไว้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าครบหนึ่งชั่วโมงแล้วต้องออกจากสมาธิแล้วนะยึดหลักอะไรเจ้าคะเออไม่ไม่มีหลักหรอกถ้าจะตั้งเอาเวลาเป็นหลักมันก็ต้องเอานาฬิกานะแต่ถ้าเรานั่งเพื่อให้ใจมันสงบนั่งจนกว่าเรานั่งไม่ได้ก็ไม่ต้องมีนาฬิกา นั่งไปเรื่อยๆจนกว่ามันอยากจะออกมาแล้วก็ออกมาแต่ถ้าเรามีความจํากัดเรื่องเวลาที่จะต้องลุกขึ้นไปทําอะไรต่อเราก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้แต่ตั้งนาฬิกาปลุกมันก็ไม่ดีอย่างเดี๋ยวมันจะคอยดูนาฬิกาอยู่เลยถึงเวลาหรือยังแทนที่จะนั่งดูพุโทโธมันกลับไปดูนาฬิกาแทนนั่งแล้วมันก็ไม่สงบอยู่ดีถ้าจะตั้งนาฬิกาก็อย่าไปคิดถึงมันว่าคิดว่าเราตั้งแล้วเราก็พุโทโธพุโทโธไป เดี๋ยวถึงเวลามันก็จะดังเองแต่ถ้ามันอยากจะออกมันก็จะคิดว่าเอมันเสียหรือเปล่าเราตั้งผิดหรือเปล่ามันมันก็จะหลอกเราอีกเรฉะนั้นเรื่องการนั่งสมาธิถ้าผู้ตามความจริงเขานั่งกั น, เ ข, น, กนเขาไม่ใชนาฬิกาเขาแบบคนที่ก็าปฏิบัติแบบมืออาชีพนะเขานั่งไปจนกว่าเขาจะนั่งไม่ได้เขาก็ลุกขึ้นมาเดินต่อ เขายัางปฏิบัติต่อเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากท่านั่งมาท่าเดินการใช้พุโทโธก็ยังใช้พุโทโธต่อไปควบคุมความคิดปรุงแต่งต่อไปก็ต้องการที่จะสามารถหยุดความคิดปรุงแต่งได้สามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เขาต้องการอันนี้คือเป้าหมายของผู้ปฏิบัติจริงๆต้องการที่จะควบคุมความความสงบให้ได้สร้างความสงบให้ได้ตลอดเวลาด้วยสติ คำถามจ้าคุณนัทนันนะครับลูกชอบถือศีลปฏิบัติแต่แม่ไม่สนับสนุนถ้าไปถือศีลที่ไหนก็จะตามไปว่าไม่ให้มีความสงบแม่บอกว่าให้มาสวดมนต์ภาวนาเหมือนลูกทําไม่ได้หรอกเราควรทําอย่างไรดีให้แม่ยอมเห็นดีกับการปฏิบัติธรรมของลูกแล้วเป็นกรรมอันใดแม่ถึงเข้าไม่ถึงธรรมสงสารแม่มากขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะเจ้าคะ่ะ แม่เขาเป็นยังไงเราก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แม่เป็นกล้วยอยากจะไปให้เป็นส้มมันก็เป็นไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นกล้วยไปก็ เ, เป็นพันธุ์นี้ไงที่เรียกว่าเรามีกรรมเป็นเผาพันธุ์เราเคยทำอะไรมามันก็จะเป็นนิสัยติดตัวเรามาเราเคยเราเคยทำบาปเราก็จะติดกับการทำบาปมาเราทำบุญก็จะติดการทำบุญมา าการกระทำของเราเป็นเผาพันุ์ทําให้เราเป็นกล้วยเป็นส้มแล้นเราเร า, เราจะไปเปลี่ยนเขาให้เป็นส้มไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนเองเขาเปลี่ยนได้เปลี่ยนจากการกระทําของเขาการที่จะเปลี่ยนการกระทําได้ก็ต้องเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดเห็นว่าการกระทําที่ทําอยู่นี้มันไม่ถูกมันไม่ควรหรือไม่ดีพอดีอยู่แต่อาจจะดีไม่พอควรจะมีวิธีที่ทําให้ดีกว่านี้ ก็ไปทำสิ่งนั้นเขาก็จะเปลี่ยนได้นการที่จะไปเปลี่ยนเขานี่ก็มีทางเดียวก็ให้มีธรรมะอยู่ในบ้านเผื่อวันดีคืนดีเขาสนใจฟังขึ้นมาเขาก็จะได้เรียนรู้อะไรต่างๆที่เขาไม่รู้เราก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อไปแต่การที่เราจะไปบอกเขาให้เปลี่ยนทันทีอย่างนี้นเขาเปลี่ยนไม่ได้เขาก็อยากจะเปลี่ยนเราเราก็อยากจะเปลี่ยนเขา กระทุกด้วยกันทั้งสองฝ่ายฉะนั้นต้องยอมรับว่าต่างคนต่างมีเผ่าพันธุ์มาไม่เหมือนกันเขาเป็นพันธุ์กล้วยเราเป็นพันธุ์ส้มอย่างเงี้ยเราก็ต้องอยู่แบบส้มเขาก็ต้องอยู่แบบกล้วยไปเวลาก็อยากจะเปลี่ยนเราเราก็เฉยเฉยไว้แผ่เมตตาก็ไปว่าเขายังโง่อยู่เขายังไม่รู้ความจริงอก็ช่วยไม่ได้อย่าไปเถียงกันอย่าไปทะเลาะกันให้เหนื่อยเลยเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไร จะทำให้ทุกไ ป, ปเปล่าๆและจะทำให้อยู่กันอย่างไม่มีความสุขทุกคนควรจะสมวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนนี่คือหลักการของการอยู่ร่วมกันสิ่งในที่ไม่เหมือนกันอย่าไปเอามาทำให้เหมือนกันอย่าไปบงังคับให้เขามาทำเหมือนเราเขาอย่ามาบังคับให้เราไปทำเหมือนเขาเพราะมันเป็นไปไม่ได้ให้มาทาในสิ่งที่เหมือนกันดีกว่า ถ้าชอบแยะอันไหนชอบเหมือนกันเช่นชอบดูละครก็เปิดดูทีวีนั่งดูพร้อมกันไปอย่างนี้ก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนหนึ่งชอบดูละครคนชอบนั่งสมาธิแล้วมาชวนให้ดูละครหรือชวนให้ไปนั่งสมาธิเดี๋ยวมันก็ต้องทะเลาะกันนะนั่นดังนั้นต้องรู้จักวิธีอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีปัญหาปัญหาเกิดจากความอยากของเราความหวังดีของเรา mm hmm. เขาก็หวังดีกับเราเราก็หวังดีกับเขา ก็เลยตีกันไปด้วยความหวังดีคำถามจากคุณวิรันรัตน์นะครับการละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งสักยะทิฏฐิต้องเน้นอสุภกรรมฐานใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ละข้อที่หนึ่งนี่ให้เน้นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของดินน้ำลมไฟร่างกายตายไปนี่มีใครอยากจะเอ า, เอาไหมเวลาเราตายไปนีพ่อแม่ก็ไม่เอา ทั้งที่เป็นของพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนสร้างขึ้นมาพ่อแม่ยังไม่เอาเลยยกให้สับเปรเล่จับเปรเล่มันก็ไม่เอามันก็เอาใบเผาเอามันก็ไปไปกลับคืนสู่เจ้าของเดิมก็คือดินน้ำลมไฟให้พิจารณาอย่างนี้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นดินน้ำลมไฟมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อใดมันเจ็บก็อย่าไปอยากให้มันไม่เจ็บเราจะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะว่าไปอยากให้มันไม่เจ็บ ถ้าไม่มีความอยาก ใ, ให้มันไม่เจ็บแล้วจะไม่ทุกข์จะอยู่กับความเจ็บได้ไม่เดือดร้อนจะอยู่กับความตายได้ cool us, เพราะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา <as elim> อย่าไปถือว่าเป็นของเราพออะไรเป็นของเราแล้วมันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีคนที่เราไม่รู้จักเขาตายไปเราเดือดร้อนเพราะเราไม่ถือว่าเป็นของเราแต่คนที่เรารู้จักเช่นสามีเราเนี่ยเพราะว่าเป็นสามีเราขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาแล้วเราก็เป็นอะไรก็เดือดร้อนขึ้นมา เพราเราไปยึดไปติว่าเป็นของเรายันมันไม่มีอะไรเป็นของเราสัพเพธรรมานาตาร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราความเจ็บก็ไม่ใช่ของเราความเจ็บมันเป็นของร่างกายมันเจ็บที่กระดูกเจ็บที่เนื้อที่หนังไม่ใช่เหรอมันไม่ได้เจ็บที่ใจแน่นอนแต่ใจไปเจ็บแทนมันใจไปอยากให้มันไม่เจ็บมันก็เลยเจ็บขึ้นมาในใจอีกชั้นหนึ่งที่ทนไม่ได้ก็คือความเจ็บที่ใจไม่ใช่ความเจ็บที่ร่างกาย อาใยไม่เจ็บแล้วความเจ็บทางร่างกายก็ไม่เป็นปนัญหาอะไรก็จะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายก็ถือว่าละสังโยชน์ข้อนี้ได้ละการไปคิดว่าความเจ็บเป็นของเราคิดว่าร่างกายเป็นของเราคือปล่อยวางมันให้มันตายไปให้มันเจ็บไปแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันก็จะละสังโยชน์ข้อนี้ได้พอละสังโยชน์ข้อนี้ได้ก็จะมีดวงตาเห็นธรรม เนว่าทุกของเราเกิดจากความอยากของเราเองอยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายก็เลยทุกพอยอนให้มันเจ็บย้อนให้มันตายมันก็ไม่ทุกก็เห็นอริยสัจสี่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมรรคก็ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าแล้วคนที่สอนนี่คือใครก็คือพระพุทธเจ้านี่ธรรมที่เห็นนี่คืออะไรธรรมก็ธรรมที่พระเจ้าสอนมีใค่ไหนอริยสัจสี่ก็เลยไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรื อ, อไม่มีจริง แล้วก็ไม่ไปปฏิบัติกิจวัตรต่างๆนอกเหนือคำสอนของพระเจ้าคือศีลพัตะนี้เป็นพวกที่ไปไปหาวิธีแก้ความทุกข์ด้วยวิธีต่างๆนอกเหนือคำสอนของพระเจ้าพระเจ้าสอนให้ดับทุกข์ด้วยการมาเจริญศีน ส, สมาธิปัญญาแต่พวกนี้จะไปหาหมอดูบ้างไปหาหวงจุ้ยบ้างไปหาชินแสบ้าง ให้บอกว่าทำยังไงถึงจะทำให้ตัวเองสบายใจบางทีเขาบอกให้ไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไปย้ายบ้านหรือไปหันทิศทางของประตูเข้าบ้านให้ไปปิดทางนี้ให้ไปเปิดทางนู้นมันไม่ได้เป็นตัวแก้ปัญหาตัวแก้ปัญหาก็คือตันหาความอยากของเราความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เลยทำให้เราทุกข์วุ่นวายไปกับ เวลาเหตุการณ์ที่จะทำให้เราแก่เราเจ็บเราตายนั้นแล้ว เ, เปลี่ยนยังไงก็แก้ไม่ได้เปลี่ยนชื่อมันก็ไม่มันก็ยังเจ็บอยู่ดีไม่สบายมันก็ไม่ได้หายจากการเปลี่ยนชื่อมันไม่ตายเพราะเราเปลี่ยนชื่อหรอกมันไม่ตายเพราะเราไปเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนทิศทางของประตูบ้านมันก็ตายเหมือนเดิมใช่ไหมเนอคนที่เห็นความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากแล้วก็จะมาแก้ที่ความอยากนี่ ก็ไม่ต้องไปทำพิธีกรรมสเสด็คออะไรต่างๆไปไหว้ลาวหู่นไปทำพิธีให้เขาอาบน้ำมนต์ให้เคาะหัวให้อะไรไอันนี้มันไม่ได้เป็นวิธีแก้ปัญหาของเราปัญหาของเราอยู่ที่ตัณหาความอยากของเราท่านเองอยากไม่ให้เสืิมจากราบยศสนรเสญสุขทั้งๆที่มันต้องเสืิมพอคนมีปัญญาก็ ยอมรับว่ามันต้องเสื่อมก็ไม่ทุกข์กับมันมันจะเสื่อมก็เสื่อมไปหายมันเสื่อมไปก็ทำให้มันขึ้นมาได้เมื่อก่อนเราไม่มีก็หามาได้หามาได้มันหมดไปได้ก็หาใหม่ได้หาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็อยู่ตามมีตามเกิดไปอยู่ไม่ได้ก็แค่ตายคนที่ยอมรับความตายแล้วก็จะไม่กลัวอะไรนี่คือสังโยชสามข้อที่พระโสดาบันจะละได้ เพราะว่าไม่กลัวความไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายก็ไม่ต้องไปทำพิธีอะไรต่างๆให้มันเหนื่อยเปล่าๆทำยังไงมันก็แก้ไม่ได้คำถามข้อสอยักคุณนิทานทำนะครับเราจะมีอุบายหรือวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เราไม่กลัวความตายรู้ว่าต้องตายแน่ๆแบบเด็ดขาดครับเพราะปัจจุบัน แค่รู้อยู่ว่าต้องตายแต่รู้แบบเป็นสัญญาตอบไปแล้วไงเนี่ยเพิ่งตอบไปปั๊บเนี่ยคำถามมาทีนั้นคำตอบด้วยแสดงว่ารู้ใจกันเทนะคำถามข้อต่อไปจะคุณสาวิกานะครับโยมปฏิบัติทุกวันตอนนี้จิตมันมีความสงบมากและกว้างมากจิตมีความเบาและเมื่อมีความรู้สึกตัวบ่อยๆ จิตมันรู้สึกตั้งมั่นและมั่นคงหนาแน่นและมีกําลังและเข้าสู่ความเป็นกลางไม่มีบวกไม่มีลบโยมควรปฏิบัติอย่างไรต่อคะเพื่อความก้าวหน้าต่อไปก็ทําให้มากๆทําให้มันเป็นได้ทั้งวันทั้งคืนออกมาก็ยังเป็นกลางอยู่หรือถ้าถ้ามีปัญหาไม่ยอมเป็นกลางก็ต้องใช้ปัญญาขั้นต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาแล้วตอนต้นมันก็ยังจะเป็นกลางอยู่เหมือนน้าที่เราแช่ในตู้เย็นเนี่ เวลาเอามาจากตู้ใหม่ๆมันก็ยังเย็นอยู่แต่ถ้าทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวความเย็นมันก็จะหายไปอุเบกขาที่เราได้จากสมาธิออกมาใหม่ๆมก็ยังยังเป็นอยู่แต่พอเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะค่อยๆหายไปมันก็จะไม่เป็นกลางพอไม่เป็นกลางที่จะให้มันเป็นกลางก็ต้องใช้ปัญญาเพราะมันไปรักไปชังนะเราต้องใช้ปัญญาสอนว่ารักก็ทุกข์นะชังก็ทุกข์นะ อย่าไปรักอย่าไปชังสิ่งที่รักเดี๋ยวก็ต้องหมดไปสิ่งที่ชังเดี๋ยวมันก็หายไปอยู่เฉยๆดีกว่ามันก็จะกลับมาอยู่เป็นกลางได้ต่อไปมันต้องใช้ปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเราไปลาเอียงไปมีอคติ ด, ด้วยว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าแล้วใจเราก็จะกลับมาสู่ความเป็นกลางได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณกิ่งนภานะครับการที่พระสนทนากับโยมจำเป็นไหมที่คนอื่นจะคิดว่าโยมสอนพระคะก็สมัยนี้พระมันงอกกบโยมเลมันก็เลยให้โยมสอนพระแต่สมัยก่อนนี้โยมไม่กล้าสอนพระหรอกเพราะรู้ว่าพระนี่ฉลาดกว่าโยมแต่สมัยนี้มันกลับตากะปัดแล้ว พระมาบวชไม่เรียนหนังสือไม่ศึกษากันโัวแต่ไปนั่งบุญบางสังสวดกันส่วนโยมนี่ไม่ได้บวชแต่กับสนใจศึกษาธรรมะมากกว่าพระโยมสมัยนี้เลยฉลาดกว่าพระก็เลยสอนพระได้ยังอย่าไปดูที่ว่าพระหรือโยมอ ย, อยู่ที่ว่าใครมีความรู้มากกว่ากันดีกว่าคนที่มีความรู้มากกว่ากันย่อมสอนคนที่มีความรู้น้อยกว่าแต่ถ้าพูดตามหลักของของความ ความเป็นจริงในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระมีความรู้มากกว่าโยมโยมถึงต้องมาหาพระถึงต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นครูเป็นอาจารย์แต่สมานีิพระกลับไปยึดโยมเป็นสารณะนะโยมสอน mm hmm. เพราะไปเรียนวิชาทางโลกกันอย่างนี้พระบางทิศบางรูป ก, ก็ไปเรียนหลักสูตรปริญญาตรีโทเอกทางโลกกัน mm hmm. ก็เอาโยมมาสอนนั่น mm hmm. ใช่ไหมไปเรียนทําไมเป็นพระ มาบวชพระเพื่อไปเรียนทางโลกก็แสดงว่ามาอาศัยศาสนาเป็นที่อยู่ที่กินแล้วก็ไปเรียนหนังสือกันพอจบปริญญาก็ศึกกันไปมีลูกมีเมียกันศาสนาการศึกษาทางศาสนาก็เละเทไปละหลงทางละคิดว่าดีเออพระจะได้เรียนรู้ทันโลกมันไม่ไม่ไม่ใชววว่วิธีเรียนรู้ทางโลกทันโลกวิธีเรียนรู้ทันโลกต้องเรียนแบบพระพุทธเจ้า รู้ทันว่าทุกสิ่งในโลกนี้มันเป็นทุกขนะ์นี่ถึงเรียกว่ารู้ทันอันนี้เป็นรู้ทันแบบรู้วิชานั่นวิชานี้รู้ไปทไําอะไรรู้แล้วมันมดับความทุกข์ได้ป่ามันดับไม่ได้ดับกิเลสได้เปล่านะคำถามข้อต่อไปจากคุณชัยนรินทร์นะครับกระผมภาวนาโดยใช้พุโทโธพร้อมกับการนับตัวเลขไม่ทราบว่ากระผมเข้าใจถูกหรือไม่ครับว่าการที่เราบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปจนคําบริกรรมหายไปเอง แบบว่าพยายามนึกพุโทโธเท่าไหร่ก็นึกไม่ได้นั้นยังไม่ใช่อาการของจิตรวมแต่จะต้องเป็นอาการที่เหมือนกับตกจากที่สูงวูบลงไปแล้วทุกอย่างหยุดหายไปเหลือแต่สติซึ่งวิธีที่จะทำให้จิตรวมได้จริงๆก็คือเมื่อเราบริกรรมจนคำบริกรรมหายไปก็ให้เรามีสติอยู่กับผู้รู้ไปเรื่อยเจนเมื่อเราเริ่มที่จะนึกคาบริกรรมได้ก็ให้เรา นึกคำบริกรรมทับเข้าไปอีกทำไปเรื่อยๆอย่างนี้จิตก็จะรวมได้ใช่หรือไม่ครับขอท่านพระอาจารย์เมตตาให้ความกระจากับกระผมด้วยครับมันก็ต้องอยู่ที่ท่าของเราถ้าเราอยู่ในท่าถ่าเดินถ้ายืนนี่มันจะไม่ไม่รวม ง, ง่ายมันต้องอยู่ในท่านั่งที่เราอยู่ในท่าเดินหรือว่าเรากำลังทำอะไรแล้วเราใช้พุโทโธนี้เป็นเพียงแต่ดึงใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดปรุงแต่งให้อยู่ในปัจจุบัน มันรวมไม่ได้มันจะรวมก็ต่อเมื่อเรานั่งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวจนกว่ามันจะวูบลงไปถ้ายังไม่วูบก็พุทโธต่อไปถ้าพุทโธหายไปอาจจะเป็นว่าขี้เกียจพุทโธมันก็เลยไม่ได้พุทโธพุทโธมันจะหายไปได้ไงเมื่อไงเมื่อเราเป็นคนพุทโธเองที่มันหายไปเพราะเราไม่เราไม่พุทโธมันก็หายไปยมันก็ขี้เกียจเลย ก็ต้องดูว่าถ้ามันไม่พูดธโธแล้วมันใจไม่คิดอะไรก็ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่พอถ้าเราไม่พูดธโธแล้วเดี๋ยวมันเริ่มไปคิดเรงนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็จะฟุ้งขึ้นมาได้เดี๋ยวถ้ายัางพุดธโธได้ก็พูดธโธต่อไปอย่าไปอ้างว่ามันหายไปเองมันหายไปเองไม่ได้หรอกมันหายไปเพราะเราไม่พุดธโธเองใช่ไหมคำถามข้อต่อไปจากคุณสีเมืองนะครับในบท สภปาติคาถามีตอนหนึ่งว่ามีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกําลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีกาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าขันสี่ขันขันเดียวหมายถึงอะไรคะขันห้าก็พวกมนุษย์พวกเดชะเนี่ยมีทั้งกายมีทั้งใจพวกขันสี่ขันหนึ่งนั้นเป็นพวกที่ไม่มีร่างกายขันสี่ก็พวกเทวดาขันหนึ่งก็พวกพรหม พอมนี้ก็จะนิ่งจิตจะสงบนิ่งสักแต่ว่ารู้อันนี้ก็เหลือขันเดียวเทวดาก็ยังปรุงแต่งเพื่อจะได้สัมผัสกับรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์อยู่ก็ต้องใช้จัญญาสังขารวิญญาณผลิตรูปทิพย์เสียงทิพย์ขึ้นมาพวกมนุษย์พวกเดรัจฉ า, านี่ก็ต้องมีร่างกายถึงจะได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสก็มีอยู่3ชนิดด้วยกันพวกมนุษย์นี่ขันห้า พวกเทวดานีนขันสี่พวกพรหมี้ขันเดียวคาถามข้อต่อไปนะครับจากคุณยูเลนะครับถ้าเราจะทำบุญและกรวดน้ำให้น้องชายที่ตายไปแล้วเกือบยี่สิบปีซึ่งน้องชายนับถือศาสนาอิสลามบุญที่กรวดน้ำไปจะถึงและได้รับหรือเปล่าคะก็อยู่เขาเรอรับหรือเปล่ายี่สิบปีเขาอาจจะไปเกิดเป็นอะไรไปไหนแล้วก็ได้ตอนใหญ่พวกที่เขา มารอรับในส่วนใหญ่มากจะเป็นมันก็ไม่แน่นะจะว่าเพิ่งตายไปใหม่ๆก็ได้หรือหรือเขาอาจจะไปเกิดพบใหม่ชาติใหมแ่แล้วตายใหม่แล้วกลับมาหาเราก็ได้อย่างมีเรื่องที่ทำให้เราต้องอุทิศบุญนี้ก็มีในสมัยพระพุทธการมีพระเจ้าแผ่นดินอยู่รูปหนึ่งท่านบอกว่าคืนหนึ่งท่านนอนไม่หลับมีเสียงอะไรส่งเสียงดังก็ทุกข์ขึโคมในวัง ตอ น, นเช้าก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าเสียงเงินก็ถ้าเครือกมนี้เป็นเปรตเป็นคือเป็นพวกที่เป็นอมาตะของเราในอดี ต, ตชาติไม่ใช่ชาตินี้ชาติก่อนๆที่พระ อ, องค์เคยไปพระพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมีอมาตะคนหนึ่งเราใช้อมาตานี้ไปทําบุญให้เงินอมาตะไปทําบุญแทนให้แล้วอมาอมตนี้มันก็ไปยกัยกยอกทรัพย์ของพระเจ้าแผ่นดิน จะทำจะแทนแ ท, ทนที่จะทำร้อยนึงก็เก็บไว้แค่ยี่สิบทำแค่80เตายไปก็เลยไปเป็นเปรดพอเป็นเรดก็เลยหิวไม่มีที่พึ่งต้องอาศัยบุญของผู้ที่มีบุญก็นึกถึงเจ้านายเก่าคือพระเจ้าแผ่นดินที่มาเกิดเป็นเจ้าพระเจ้าแผ่นดินในชาตินี้ก็เลยมาขอส่วนบุญด้วยการมาส่งเสียงกรทึกคึกโคมให้รู้ว่าต น, นมาขอความช่วยเหลือ พระเจ้าก็บอกว่าให้พระเจ้าแผ่นดินทําบุญแล้วก็อุทิศบุญนี้ไปให้กับเปรตนี้ไปเฉะนั้นผู้ที่ตายไปแล้วนี้เราก็ไม่รู้สถานภาพของเขาว่าตอนนี้ก็เป็นอย่างไรเขาเป็นมนุษย์เป็นเดชะเป็นเปตเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรเราไม่รู้แล้วเพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนได้แต่ถ้าเราคิดถึงเขาห่วงเขาอยากกลัวว่าเขาเป็นเปรตแล้วรอรับอยู่แล้วก็ ทำไปแล้วก็อุทิศให้เขาไปถ้าไม่ได้เป็นฆ้าเขาไม่ได้รับรับกม็มันก็กลับมาหาเรามันก็ยังเป็นของเราอยู่เหมือนเดิมเหมือนส่งของไปไม่มีผู้รับไปชนีก็ส่งกลับมาให้เราคำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณพิมพ์นะครับเวลานั่งสมาธิจะชอบคิดฟุ้งซ่านพยายามสวดมนต์ก็แล้วพุทโทก็แล้วคิดหนอคิดหนอก็แล้ว จนไม่อยากจะนั่งต่อจะทําอย่างไรดีเจ้าคะก็เพราะว่าไม่พูดโธก่อนที่มานั่งนต้องพูดตัก่อนมานั่งมันถึงจะมีกําลังที่จะทําให้ไม่คิดเรื่องราวต่างๆได้คําถามจะคุณ ส, สภาพนะครับคนที่เห็นวิบากกรรมคนอื่นเวล า, ากดสมาธิหรือเพ่งสมาธิแล้วเห็นกรรมแล้วบอกว่าต้องแก้กรรมนะอย่างเช่นเคยผิดศีลมา ข้อใดข้อหนึ่งเขาเห็นจริงหรือคะต้องฝึกสมาธิขั้นไหนถึงจะกลับถึงจะทราบได้ครับเรื่องเหลนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราควรจะไปสนใจเพราะว่ามันไม่ได้เป็นทางสู่การดับความทุกข์ของเราดังนั้นอย่าไปสนใจดีกว่าพูดได้แต่ไม่อยากจะพูดพูดแล้วเดี๋ยวจัวจะว่าจะฟันเผื่อันจริงการนั่งสมาธินี้ไม่ได้ไปเห็นกรรมของใคร ให้เห็นกิเลสของเราเห็นความสงบหรือไม่สงบของเราต่าหากนั่งสมาธิถ้านั่งแล้วมันไม่สงบก็แสดงว่ากิเลสเราเยอะปัญหาเราเยอะสติเราน้อยเราควรที่พยายามที่จะสร้างสติขึ้นมาเพื่อให้มันนิ่งให้มันสงบสงบแล้วก็จะมีความสุขเราก็จะเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงนั่งแบบนี้ดีกว่าอย่าไปนั่งเพื่อไปดูกรรมของคนอื่นเลย การของคนอื่นนี่ไม่ต้องนั่งก็เห็นแล้วเนี่ยทุกคนนี่เป็นอะไรต่างๆกันกนานานี่ก็เป็นเป็นพ่อกรรมทั้งนั้นน่ะการที่เรามาเกิดสูงต่ำดีชั่วต่างกันกนี่ก็พราะกรรมที่เราทํามาอยู่แล้วไม่เห็นต้องต้องไปนั่งหลับตาดูเลยดึงตาก็เห็นชัดๆอยู่แล้วเข้าใจไหงแต่ว่าคนไม่เข้าใจหลักธรรมก็ต้องคนที่เขามาทําแบบนี้สัญญาก็จะเอาเป็นเครื่องมือทำมาหากินเขาไงมาทำเป็นเหมือน กรรมนี้เป็นเรื่องลึกลับไปต้องนั่งหลับตาถึงจะเห็นมันไม่เห็นหรอกกรรมของใครมันเห็นตอนมือตาเนี่ยดูเิรยิยอาการเข้าเราก็รู้แล้วมันบุญหรือ ก, กรรมคนกินเหล้าเราก็รู้เนี่ยมันกรรมนะเนี่ยพวกกินเหล้าเมายาพวกเล่นการพร น, า น, นันนี่เป็นพวกที่ทําบุญทํากรรมมาพวกที่เขาไม่เล่นพวกที่เขาเข้าวัดนั่งสมาธินี่พวกนี้ก็พวกทําบุญกันมามันเห็นชัดๆอยู่แล้วมไม่ต้องไปนั่งหลับตาให้เห็นหรอก แล้วก็แก้ไม่ได้ด้วยบุญกรรมที่ทําไว้นี่ไปเปลี่ยนไม่ได้ไปรลบล้างมันไม่ได้เช่นไปฆ่าใครเขแล้วนี่จะบอกว่าไม่มีผลตามมานี่เป็นไปไม่ได้สักวันหนึ่งต้องไปเกิดไปให้เขาฆ่าลราแทนมันเป็นเรื่องที่มันไม่มีใครรลบล้างได้เราก็ไปแก้ไม่ได้ ไ, ไม่ต้องไปสนใจเตรียมตัวรับผลของกรรมตอนนี้ก็รับผลของกรรมอยู่แล้วเนี่ยทุกขณะที่เราเป็นอยู่ขณะ น, นี้ก็เรื่องของกรรมทั้งนั้นแหะ ทำไมเราไม่ไปเป็นพระพุทธเจ้ากันตอนนี้เพราะกรรมมั น, ม, นมันส่งให้เรามาเป็นอย่างนี้กันแต่ถ้าเราอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเราก็สร้างกรรมใหม่ขึ้นมาทําสิ่งที่ดีทำตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ทําสิทําบุญละบาปชำระใจใสะอาดเดี๋ยวก็ไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอนันต์กันได้บุญกรรมนี่มันเห็นกันชัดๆอยู่แล้วมันไม่ต้องไปนั่งหลับตามองหรอกนั่งหลับตาจะมองเห็นนั้นก็มือดอย่างเดียว ทางลับตาก็จะเห็นแต่ความสงบและไม่สงบแต่นั้นแหละคำถามจ้าคุณพันณภานะครับคําที่ว่าเรายังติดอยู่ในภพภูมิเดิมนั้นคือสัญญาเก่าที่ติดตัวเราตั้งแต่ในชาติก่อนใช่หรือไม่เจ้าคะถ้าใช่จะแ ก, ก้อย่างไรเจ้าคะก็เปลี่ยนวิธีใหม่ถ้าเราติดนิสัยเปรตต่อไปนี้ก็มาทําบุญกันอย่าไปขอทานอย่าไปเอาของคนอื่นอย่าไปรักทรัพย์ อยากจะได้อะไรก็หาเอาเองอย่าไปขอเขาอย่าไปขโมยของเขาต่อไปเราก็ไม่เป็นเปนแล้วา้าอยากจะเป็นเทวดาก็มีเหลือกินก็เอาไปแจกจ่ายให้คนอื่นแล้วต่อไปก็จะเป็นเทวดาขึ้นมาคำถามจากคุณสละอ่นะครับการทำสมาธิในคนท้องมีผลดีอย่างไรคะสามารถทำได้เหมือนคนปกติไหมก็เหมือนเดิมร่างกายมันจะเป็นยังไงมันไม่เกี่ยวกับใจ ใจนี้สามารถทำสมาธิได้ทุกขณะถ้าทำเป็นจะนั่งอยู่ในท่าไหนก็ทำได้เจ็บไายได้ป่วยก็ทำได้แก่ก็ทำได้ท้องหรือไม่ท้องก็ทำได้ไม่เกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับว่ามีสติหรือไม่เท่านั้นเองถ้ามีสติก็สามารถทำได้ทุกคนทุกแห่งทุกเวลาอยากจะทำใจสงบเมื่อไหรก็พุโทโธพุโทโธไปเดี่ยวเดียวมันก็สงบแนละ้วถ้าไม่มีสติทำยังไงก็ไม่มีวันสงบ คำถามจ้าคุณกิจสนานะครับเรื่องเจ้ากรรมในเวรเจ้าค่ะคือได้คําแนะนํามาว่าแค่เราสวดมนมตน์บทแผ่เมตตาให้ตนเองบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์บทแผ่ส่วนกุศลครบ9จบแล้วให้ไปจุดธูป5ดอกตรงกลางแจ้งแล้วกวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรทําแบบนี้เจ้ากรรมในเวรเราจะลดลงหรือไม่อีกทั้งอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรได้จริงหรือไม่ครับ ไม่ได้เลยเพราะไม่ไม่รู้เจ้ากรรมนายเวรอยู่ตรงไหนต้องไปหาเจ้ากรรมนายเวรก่อนสิใครไหนคนไหนเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราก็ไปซื้อของให้เขาสิไปกราบตีนเขาอย่างงี้เดี๋ยวเขาก็ให้อภัยเราเองมานั่งสวดคนเดียวแล้วเขาจะไปรู้เรื่องไปไหนใช่ไหมอันนั้นเป็นการสวดสอนใจให้เราไปขอกรามลาโทษกับเจ้ากรรมนายเวรเราไปทําให้ใครก็เดือดร้อนแล้วก็ไป ชดใช้ค่าเสียหายเขาเสียเขาจะได้ไม่มาโกรธเกลียดเร า, างั้นถ้าเรามีปัญหากับใครก็ไปคุยกับเขาเลยว่าไงทําอะไรเราทําอะไรผิดคุณต้องการอะไรจากเราต้องการเรียกร้องค่าเสียหายเท่าไหร่เราก็จ่ายเข้าไปพอจ่ายเขาพราะเาก็พ อ, พอใจเขาก็เริ่มมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราเไม่ใช่มานั่งสวดคนเดียวเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่รู้เรื่องอะไร เราต้องเสียสิเล่นเล่นไปตีหัวเขาแล้วมานั่งสว่วดมนต์คนเดียวให้เขามาไม่โกรธเราได้ไงใช่ ไ, ไหมถ้าเราตีหัวเขาแล้วเขาโกรธเราก็ต้องทําให้เขาหายโกรธสิเาต้องการอะไรที่จะทำให้เขาหายโกรธต้องการเงินเลยหาเงินไปให้เขาสิพอเขาได้เงินตามที่เขาต้องการเขาก็หายโกรธเองคําถามจากคุณโบวีนะครับการอุทิศบุญกุศลที่ทําทําให้วิญญาณผู้อื่นๆ ถ้าวิญญาณได้รับบุญที่เราอุทิศให้แล้วเราจะเหลือบุญเท่าเดิมไหมหรือบุญเปรียบเสมือนเราจุดเทียนไข ย, ยิ่งอุทิศให้<ม>ก็เหมือนมีคนมาจุดเทียนต่อเราไปเรื่อยๆแต่แสงไฟในเทียนไขของเรายัางเท่าเดิมเออมูลแสงไฟเราแบ่งแสงควายคนอื่นใช้ได้อยูบุญคือความรู้สึกอิ่มใจของเราเขาสามารถแบ่งไปได้แต่ความอิ่มใจก็ยังมีอยู่เท่าเดิมในใจของเรา กรรมยิ่มากขึ้นสิเองเพราะได้บุญเพิ่มเองจากการแบ่งบุญแต่คนคนเยอะครับสมัยนี้ชอบชอบหัวง บ, บุญยริงครับาอาจาย์าไม่ค่อยย่อบแบ่งคนอื่นทําได้บุญมาแล้วชอบทำคนเดียวตอนนี้คําถามไม่มีแล้วครับอาจารย์เอมีใครอยากจะถามอีกไหมมีอะไรที่ไม่ชัดเจน ถามไดนะยังมีเวลาอยู่อีกหน่อยของการเรีนถังอาจารย์คะว่าถ้าเกเราจะสู้กับกิเลสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเร า, เาการสมุดอิ่นสี่นี่จะต้องทําอย่างไรได <c oughs> ้คะก็ต้องถือศีลแปดพอศีลแปดมันก็จะห้ามแม่เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายออันนี้ก็เป็นการปิด ปิดทางเดินของมันแต่ยังความอยากมันยังไม่หมดแต่มันเพ่เป็นการคล้ายๆวัดต้อล้อ ม, มันเข้ามาข้างในก่อนปิดทวารตาหูจมูกนิงกายไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิงกายเช่นจะไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงก็ไปไม่ได้เพาถือศีลแปดไปร่วมหลับนอนกับแฟนก็ไปไม่ได้ไปกินอาหารมากเกินกว่าความต้องการของร่างกายก็กินไม่ได้ เป็นมื้อเดียวก็พอนั้งเที่ยงก็ไม่ต้องกินแล้วอันนี้มันก็จะเป็นการปิดทางเดินของอความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จะทำให้เรา <c oughs> ดึงใจให้เข้าข้างในได้ง่ายขึ้นมีสติเราก็จะมีเวลามาฝึกสติมาเจริญสติ สติก็จะดึงใจให้ออกจากรูปเสียงกลิ่นรสให้เข้าสู่ความสงบได้ดั้นต้องสํารวมตาสํารวมอินทรีย์เขาเรียกสำรวมอินรีย์ก็คือการสรํารวมตาหูจมูกนิ้วกายก็คือสิงถือศิ่งก็สิ่งแปแทนที่จะถือศิ่งห้าสิส่งห้านี่ไม่ได้ไม่มีไม่ให้ไม่ได้ให้สำรวมอินรีย์เป็นแต่ให้สํารวมกายวาจาแต่อินทรีย์ไม่ได้สํารวมคือตาหูจมูกนิ้วกายเปิดอนุญาต อยากจะไปนอนกับใครไปเลยอยากจะนอนกับแฟนไปเลยอยากจะไปกินอาหารกินเลี้ยงกินเวลากี่มือ้อไม่ห้ามสินห้ามไม่ได้ห้ามไว้อยากจะไปเที่ยวที่ไหนไปดูหนังฟังเพลงไปทำอะไรไปได้หมดอยากจะแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างไรทำผ้าทำผมแต่งหน้าทาปากแต่เสื้อผ้าชนิดไหนสีไหนทำได้หมดเลยสินห้ามไม่ได้กั้นไว้ถ้าต้องการสำรวจเอนทรีก็ต้องถือศินแป เห็ตาก็ยั ง, งคุณแม่ชีเนี่ยนะแม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากไม่ทำเเผาทําทผมไม่มีผมจะทำเลยโกนมันทิ้งไปเส mm hmm. ื้อผ้ามันต้องใบวุ่นวายหายมันจะใส่ชุดไหนดีรองเท้าเส mm hmm. จะใส่กับรองเท้าคู่ไหนดีกระเป๋าใบไหนดีนี่ชุดขาวชุดเดียวไปได้ทุกงาน mm hmm. ไปได้ทุกแห่งทุกคนเถ้าอยากจะสําวมเอนซีก็ต้องถือสีแปด แล้วถ้าอยากจะให้มันสงบก็ต้องเจริญสติเจริญสติแล้วมันก็จะทำให้ใจสงบเพราะสงบแล้วความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็จะหายไปชั่วคราวก็จะมีความสุขสบายใจความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี้ที่ทำให้เราเครียดกันหงุดหงิดกันอยากจะกินกาแฟนี้ไม่มีกาแฟนี้หงุดหงิดเดินกันหากาแฟกัน อยากจะดูอยากจะฟังอะไรเพราะไม่ได้ดูได้ฟังก็หงุดหงิดลำคาญใจกันขึ้นมาพอาทําให้ความอยากนี้สงบตัวลงไปความสบายใจก็เกิดขึ้นความเบา อ, อกเบาใจความสุขใจก็เกิดขึ้นก้าใจนะเหรอครับอาาย์ครับว่าอธิบายว่าขันห้าไม่มีตัวไม่มีตัวไนอ๋อขันห้าเช่นร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ย มันเป็นตุกตาตุกตามีตัวไหมตุกตาเป็นของที่เราผลิตขึ้นมาใช่ไหมอ่า่งการนี้ก็เป็นของที่พ่อแม่ผลิตขึ้นมาโดยอาศัยอาหารอาหารก็มาจากดินน้ำลมไฟมันก็มาจากมันก็เป็นตุกตาตัวหนึ่งที่ทำจากดินน้ำลมไฟเวลาตายไปมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปไม่มีตัวตนเข้าใจหเวทนาที่ ความรู้สึกมันก็ไม่มีตัวตนมันก็เป็นความรู้สึกเฉยๆไม่มีใครเป็นเวทนาเราไปว่าเราเป็นเวทนาเป็นเราไปว่าเราเป็นสุขเป็นทุกข์ความจริงมันเราไม่ได้เป็นมันเป็นของมันมันเป็นความรู้สึกเฉยๆเป็นความรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่ทุกข์รู้สึกสุขไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่มีตัวตนมันมีตรงไหนล่ะมันไม่มีตัวตนอ่ะมันก็ตัวตนอ่ะ มันจับต้องได้แต่มันไม่มีตัวตนมันเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศนี่มีตัวตนไหมเมฆหมอกนี้มีมีตัวตนมมันมีเกิดมีดับใช่มฝนเนี่ยเมฆมันลอยขึ้นไปน้ำมันระเหยขึ้นไปมันก็กลายเป็นเมฆพอมันจับตัวกันมากๆมันหนักขึ้นมันก็ตกลงมาเป็นฝนเป็นน้ำมันก็วนไปเวียนมาองี้มีตัวตนไหมไม่มีมันเป็นเหตุการณ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเหตุการณ์ เวทนาก็คือเหตุการณ์ความสุขทุกข์ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่ก็เรียกว่าเหตุการณ์อย่างหนึ่งความคิดปรุงแต่งก็เป็นเหตุการณ์อย่างหนึ่งเป็นเหมือนธรรมชาติไม่มีตัวตนแต่ว่าเราไปคิดเองว่ามันเป็นตัวเราของเราขึ้นเราคิดเวลาคิดแล้วก็บอกว่าเราคิดความจริงมันเป็นความคิดมันไม่ใช่เราคิดเวลาเกิดความสุขความทุกข์เราก็ไปว่าเราสุขเราทุกข์เราไปหลงกับมันเอง เราไปติดตามว่าเป็นของเราเป็นตัวเราขึ้นมาต้องมาแก้ตรงนี้ต้องมองให้มันเห็นเหมือนกับว่ามันเป็นดินน้ําลมไฟเป็นเป็นฝนฟ้าอากาศมีเกิดมีดับท่านั้นเองบางทีก็คุมมันได้บางทีก็คุมมันไม่ได้ถ้าคุมมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปเช่นความความเจ็บบางทีก็ห้ามมันไม่ได้กินยาแล้วก็ไม่หายก็อย่าไปทุกข์กับมันท่านเองปัญหาของเราอยู่ที่ความทุกข์ของเราที่ไปยุ่งกับมันเอง ไปอยากให้มันหายเวลามันเจ็บเราอยากจะให้มันหายถ้ามันไม่หายก็อย่าไปอยากมันก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความอยากให้มันหายเจ็บถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยู่กับมันไปมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันหายมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็หายเองมันเจ็บไปตลอดที่ไหนล่ะใช่ไปวดท้องเดี๋ยวมันถ่ายไปป้ามันก็หายปวดแล้ววดศีรษะบางทีนอนร้อนนอนหลับพักผ่อนหน่อยเดี๋ยวมันก็หายแล้ว มันก็มีเหตุมีผลของมันไปเหมือนกับฝนฟ้าอากาศเดี๋ยวฝนก็ตกเวลาตกก็อย่าไปอยากให้มันตกถ้าอยากให้มันไม่ตกมันก็จะทุกข์ขึ้นมาเวลาตกก็ปล่อยมันตกไปเวลาไม่ตกก็อย่าไปอยากให้มันตกมนุษย์เรามันชอบหาเรื่องเองอ่ะเวลาไม่ตกก็อยากจะให้มันตกก็ทุกข์เวลามันตกก็อยากจะให้มันหยุดก็ทุกข์อีกเความอยากของเราเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์ ทีรามาปฏิบัตินี่เพื่อสอนให้เราอยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติทุกอย่างมันเหนือความความสามารถของเราที่จะไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันใช่ไหมส่วนใหญ่เราไม่ค่อยทุกข์กับฝนฟ้าอากาศใช่ไหม ม, มันจะตกเราก็รู้ว่าเราห้าม ม, าาามันไม่ได้ผ้าทิศนี้เราก็ห้ามมันไม่ได้เราไม่ค่อยทุกข์กับผ้าทิศใช่ไหมผ้าทิศขึ้นแล้วไม่รือไม่ตกมันไม่เกี่ยวกับเราเรารู้เราทําอะไรไม่ได้เราก็เลยไม่ทุกข์กับมัน อาจายก็ให้มองการห้าว่าเหมือนกับเป็นฝนฟ้าอากาศเป็นพรอาทิตย์ร่างกายไปห้ามมันได้ไหยห้ามไม่ให้มันแก่ไม่เจ็บมันตายได้หรป่าเวลามันได้ยข้าวมาให้มันโตได้ไหบางทีเลี้ยงลูกนี่อยากให้มันเป็นตุ๊กตาไปเรื่อยๆก็ดีมันมันน่ารักไหมเวลามันสองสามขวบเนี่ยอ้าเกิดเรียกมันให้มันสองสามขวบไปเรื่อยๆได้ก็ดีจะได้มีความสุขกับมันแต่เดี๋ยวพอมันโตขึ้นมันก็เริ่มดื้อเลยใช่ไหมแต่เราห้ามมันไม่ได้ มันเป็นธรรมชาติเนี่ยคือคือคํามคำว่าไม่มีตัวตนก็คือมันเป็นธรรมชาติทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติอย่าไปยุ่งกับมันแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันตอนนี้เราทุกข์กับร่างกายเพราะเราไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็เลยอยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เลยทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ามองว่ามันเป็นธรรมชาติห้ามมันไม่ได้เราก็จะไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน ตายหมดเวลายังมีเลยกันไหมอ่าทางนี้อยากจะถามเลขอาการพระอาจารย์วิตาอบอกไปการการสู้เลกลกรรมหญิงชายครับการสู้เลกล็ดกรรมหญิงชายครับการก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายบ้างอย่าไปมองแต่ส่สวนที่สวยงามอย่าไปเปิดหนังสือดูพวกหนังสือแฟชั่นหนังสือดาราไปเปิดหนังสืออนาโตมีดูบ้างเคเห็นหนังสืออนาโตมีไหม หนังสือที่เขาสอนนักศึกษาให้ดูกายภาพให้ดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายโครงกระดูกนี่ตับไตหัวใจปอดลำไส้ให้ดูภาพเหล่านั้นแทนแล้วเวลาเราเห็นเราเกิดการอารมณ์ใกลน้นึกถึงภาพเหล่านั้นแล้วมันก็จะทําให้การอ า, า, า, ารมณ์มาหยไปการอารมณ์มันเกิดเพราเราไม่นึกถึงภาพสวยๆงามๆเหมือนกัน ยองเคยฟังเทศธรรมบรรยายของพระอาจารย์รูกเล็ก่งบอกว่าการที่จะเข้าสู่ความปัญญาทุกเห็นแจ้ง์คำเนี่ยสามารถเข้าสู่ทางการปฏิบัติธรรมหรือความมีศรัทธาก็ได้ไม่ทราบว่าอันนี้เป็นความจริงหรือเปล่ามันมี3ามทางในการเข้าสู่ปรรยยัญญาถ้ามีศรั <S <S hmm. ทธาก็จะมาฟังเทศฟังธรรยยมก็ได้ความรู้แล้ววันนี้มีศรัทธาก็มากันพอได้ฟังธรรมก็ได้ควา <S <S มรู้ตา่างๆที่เราไม่รู้มาก่อนแล้นี้ก็เรียกว่าปัญญาเท่านั้น ส่วนปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติก็คือเรานั่งสมาธิแล้วใจเราสงบเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างใจที่สงบกับไม่สงบว่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นปัญญาเกิดขึ้นจากการปฏิบตัติว่าความสุขเกิดจากความสงบความไม่สงบทำให้ใจเราทุกข์ไม่สบายใจแล้วเราก็ไปหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรก็เกิดจากความอยากของเราทาให้เราใจไม่สงบกัน ทำให้ใจเราทุกข์กันถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์เราก็อย่าไปมีความอยากกันอันนี้เรียกว่าปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติ น, ะนี่ี้าเผื่อว่าเราเราเข้าทางความสนุกไม่ได้เนี่ยเราสามารถทางสมถะไม่ได้เนี่ยเราสามารถเข้าไปเริ่มจากทำวิปัสสนาเลยได้หรา ก, ก็ลองทำดูสิ ค, คือโยมเคยได้ยินมีสามทางว่าเข้าอันแรกคือสมถะเป็น<ม>ต้นก่อนอันที่สองาปปาบางคนบางคนก็ทําได้บางคนก็ทําทไม่ได้ บางคนรู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากก็ตัดได้ถ้าตัดได้ก็เป็นวิปัสสนาถ้าตัดไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีกําลังทางวิปัสสนาพอที่จะตัดแล้วแต่คนบางคนบางคนที่เขาวิปัสสนาได้เพราะเขามีสมาถะ<ม>เขามีสมาธมาแล้ว<ม>เขามีสมาธิมาแล้วใจเขาวางเฉยได้แต่คนที่วางเฉยไม่ได้นี่บอกให้เฉยก็เฉยไม่ได้<ม>บอกให้ไม่อยากก็ไม่อยากไม่ได้ เพราะว่าไม่เคยฝึกใจให้เฉยไม่ไม่มีสมาธิถึงแม้จะมีปัญญาก็ไม่เป็นปัญญาที่จะสามารถะละความอยากได้ตัดตัดลับดับความทุกข์ได้แต่บางคนก็มีสมาธิอยู่แล้วพอพอได้รับทราบว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์เขาก็หยุดความอยากได้เพราะนั่นเองในในในขณะนี้ที่ใจกลางบอกก็คือว่า ไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีสมร tha เป็นพื้นฐานก่อนใช่ไมครัมันก็ต้องมีเพราะมันเป็นเครื่องมือที่จะต้องสนับสนุนกันหรือว่ามีปัญญาที่ทําให้เรายอมรับความจริงได้แล้วเราถึงแม้ไม่มีสมาธิเราก็โป่งได้เช่นว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเรายอมรับความจริงอันนี้นได้ยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราเหาะ เฉพาะทีในการที่เราจะยอมตรงนั้นได้เนี่ยเราก็คือเคยใช้โยนิโซเยอะๆแต่ตรงนั้นมันเป็นระดับอินเทอร์เร็กชวลแต่ว่าจิตเนี่ยมันยังไม่ได้ยอมรับตรงนั้นก็ต้องไปต้องต้องไปเจอเหตุการณ์จริงถึงจะรู้ว่ารับได้หรือไม่รับไม่ได้เช่นไปหาหมอแล้วหมอบอกอ่าเป็นมะเร็งซะแล้วเล็กสมเดือนอนนั้นก็จะรู้ว่าอินเทอร์เร็กชวลนี่เราจะรับได้ไหมถ้ามันรับได้ก็เฉยมันม่เดือดร้อนตายก็ตาย รู้อยู่แล้วว่าต้องตายอะไอย่างนี้ก็เป็นปัญญาล้วนๆถ้าไม่ได้ก็ต้องสแสดงว่าไม่มีสมาธิพอก็ต้องกลับไปทำสมาธิก่อนความรู้มีอยู่แล้วรู้ว่าต้องตายแต่พอเจอความตายเข้าจริงๆก็ทําใจไม่ได้ก็สแสดงว่าไม่มีกําลังไม่มีกําลังของอุเบกขาก็ต้องไปสร้างอุเบกขาขึ้นมา แต่ถ้าทำใจได้รับได้ยอมตายตายก็ตายไม่เดือดร้อนคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามันต้องตายถ้ารับได้ก็แสดงว่ามันมีอุเบกขาเน่มันมันเป็นสองอย่างที่มันไปด้วยกันถึงจะสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้มีอุเบกขาไม่มีปัญญามันก็ใช้ไม่ได้เพราะเวลาเจอความทุกข์ขึ้นมาความอยากมันก็จะเกิดขึ้นมา แล้วก็ไม่ไม่รู้จักเอาอุเบกขาที่มีมามาหยุดความอยากมันก็ไม่ได้ใช้ความมันก็ไม่ได้ใช้อุเบกขามาดับความอยากพรไม่รู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากสมาธินี้จะไม่รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์เกิดจากความอยากปัญญาเป็นผู้รู้แต่ปัญญาถ้ารู้แต่ไม่มีสมาธิก็ช่วยไม่ได้ก็ทำใจไม่ได้ฉนั้นต้องมีทั้งสองอย่าง แต่เพาเราต้องสร้างอุเบกขาให้เยียวยาไว้ตอนนี้เราปัญญาเยอะแล้วเราฟังกันอยู่ทุกวันรู้ ก, กันอยู่ทุกวันฟังเทศฟังธรรมมาตั้งแต่เกิดแล้วแต่ยังทําใจไม่ได้เพราะไม่มีอุเบกขาพอมีพอมานั่งสมาธิพอมีอุเบกขาปั๊บนี้จะทําใจได้เลยมีทางเหลือมั้ยมีเหลือสักสองข้อก็ได้นะมีครับแต่ว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคานําถามอเกี่ยวกับการเล่นหุ้นนะครับอยาจารยอเอ า, เอาไห ม, ไมครับ อ้าักคำถามก็ได้เดี๋ยวก็จะเสียใจไ ด, ได้ครับได้ครับอ่าก็คนโทนที่ก็ถามว่าการลงทุนในหุ้นเราได้กำไรคนอื่นขาดทุนบาปไหมครับเป็นาการเบียดเบียนหรือไม่เออมันก็ไม่ไมอจะพูดยังไงเพราะว่ามันก็เหมือนการเล่นการพนันเพราะว่าเราได้เงินจากของคนที่เข้าเสีย มันไม่เหมือนกับการลงทุนก า, การซื้อหุ้นแบบลงทุนนี้ทํามาค้าขายแล้วได้กําไรจากผลประกอบการอย่างนี้มันก็เป็นเป็นเงินที่สะอาดเพราะว่าคนที่ก็เสียเขายินดีที่จะเสียคือเขาได้สินค้าเป็นสิ่งตอบแทนไปแต่คนที่เล้นหุ้นนี้เขาเสียโดยที่ก็ไม่ได้อะไรตอบแทนไปแต่เขาก็ยินดีที่จะเสียก็ช่วยไม่ได้<ม>ก็ถือว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวิธีหาเงินที่มันมัน มนบนกองทุกของผู้อื่นดีกว่าพูดง่ายๆเราสุขแต่เราสุขแต่คนอื่นเขาต้องหลั่งน้ำตาเพราะความสุขของเร า, างั้นก็ไม่ควรเล่นแบบนี้ถ้าจะเล่นธุนก็เล่นแบบยาวๆไปเป็นที่ลงทุนไปเป็นที่เก็บเงินไปแล้วก็หวังผลประกอบการไปบริษัทเราได้กำไรก็เพราะว่าเราทำประโยชน์ให้กับผู้ที่เขาซื้อของจากเราไป เขาเสียเงินแต่เขาก็ได้รับประโยชน์จากสินค้าที่เราขายไปอย่างนี้ก็เราก็ได้ความสุขบ น, บนกองกองของความสุขของเขาเขาก็สุขเราก็สุขนี่เขาเรียกว่าได้กับได้แต่เล่นหุ้นนี่มันเหมือนเล่นการพ น, นันคนเสียก็เสียใจคนได้ก็ดีใจก็ดีใจบนกองกองทุกข์ของผู้อื่นนี่ก็ เดาเอาก็แล้วกันอันนี้ถ้าจะเอาแบบพระพุทธเจ้าก็อย่าไปเล่นอย่าไปเล่นการพนันเล่นหุ้นแบบเล่นการพนันก็เป็นเป็นอบายมุกแล้วมันก็จะเป็นทำให้เราติดนิสัยแล้วก็จะเล่นอย่างนี้ไปแล้วไม่ช้าก็เดาเราก็ต้องเสียบ้างเพราะไม่มีใครจะได้เสมอไปแล้วถ้าเสียมากๆก็บางทีอาจจะทำให้เราต้องไปทำบาปเพื่อไปหาเงินมาเล่นต่อ เอาล้ะนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ